นเรนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีงห์ภาวนามันเช่นเคยขาประจำที่ไม่เคยขาดก็คือเด็กชายพีเคอดีครับ เป็นยังไงครับวันนี้มีวีได้มีวีลารำอะไร ม, เมาเล่าให้ฟังบนะ้างอือไม่มคําถามครับอาารยอาทิตย์ที่แล้วที่ไปกราบหลวงปู่มาไงอาทิตย์ลงปู่จะเรียนไหมมาอาทิตย์ที่แล้วมีไปกราบหลวงปู่จะเรียนนะครับ อ, อ่าแล้วท่านว่าอย่างไงบ้างอ่ะท่านให้ใร่ไหมท่านไม่ได้ว่าไงใช่ไหมลุกตื่นเช้าใช่ปะลูกทำไม่ได้ว่าเลยแล้วก็ไปตักบาท่านครับเ อ, อ่าดีใจไหม ดีใจป ะ, ะจดีใจค่ะมีความสุขไหมมีค่ะพระอาจารย์อ่านด้นแลว้วิธีจะทําความสุขให้กับตัวเองก็คือใส่บาตรนะใช่ไหมเหม ข, ข้าใจมไหมกลาบมัสการค่ะพรอาจารย์อี่ปูดูพระเทีปัทมาด้วยบอกแม่ว่าชวนแม่ไปใส่บาตรบ่อยๆนะวันไหนแม่ว่างวันไหนแม่ว่างพาผมไปใส่บาตรหน่อยนะครับโอเคค่ะ <Okay, S 2> พระอาจารย์ ที่ไปดูรูปพระเทวทัตใช่ทางถามว่าอะไรถา้าลูกสงสัยว่าอะไรพระเทว<ำ>ทัตอยู่ที่ไหนพระเทวทัตไหที่ลูกถามอดไม่เลยอ้าลูกสงสัยว่าอะไรในในเจ ด, ดีย์บนวัดของหลวงปูอ่อะค่ะพระอาจารย์มีรูป<ม>วาดอ่าจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ พระเทวทัตนะคะเขาก็สงสัยว่าไ อ, อ่าอ่าแลวให้ฟังอ๋อค่ะทุกคนเล่าเองไหมอ๋อเขาบอกว่าพระพระเทวทัตที่ทาพระพุทธเจ้าที่กิ้งหินลงมาค่ะพระอาจารย์แล้วเศษหินกระเด็นดนพระพุทธเจ้าคื อ, อบากมาก แล้วตอนนี้พระเทวทัตยังอยู่ในนรกใช่ไหมคะใช่ไหมราไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไม่เหมือนกันก็ไม่มียานอย่างทราบอ่ะอะเดี๋ยวพอหมดกรรมท่านก็นจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าได้บอกอ๋อค่ะ อ, อ, อ, อ๋อค่ะเขาเห็นรูปพระเทวทัตโดนทันตานีสูบค่ะเขาก็สงสัยใหญ่เลยพาให้พาขึ้นไปสองวันเลยค่ะไปตักบาตรหลวงปู่สองวันเขาก็ให้่าขึ้นไปเล่าเรื่องพระเทวทัตสอนวันเลยค่ะเกย์ <Okay. S 2> เล่าให้พระอาจารย์ฟังแล้วนะคะโอเคนะ <Okay. S 1> ค่ะพระอาจารย์มไม่มีคําถามค่ะพรุ่งนี้วันพระก็ปัสสาวะแล้วใช่ไหมคะ เออวันอาสาฬาบูชาค่กาากาะกาบธรรมชาติการพระอาจารย์เจ้าค่จะจ้าสาธุค่าให้พระอาจารย์แทบแข็งแรงนะครอ่าน้องพี่เคน้องพี่น้องไม่ใช่น้องพีเคน้องพี่เมื่อกี้พีเคอันนี้ก็น้องพีองพเอ้ยพีทั้งนั้นเล <c oughs> ยนี้่สครับ่ะน้องพีพวุ่นี้จะทาอะไ ร, รป่าววันพี่วันอาสาฬหบูชา <c oughs> วันนี้ได้ไปวดปัดบางสแกนไนครับแห่เทียนครับเออ ด, ดีคนเยอะไหมคนเยอะครับอา่าได้อะไรบ้างจากการแห่เทียนอืได้สวดมนต์แล้วก็ได้นั่งสมาธิด้วยครับอาืามีความสุขไหมมีความสุขค่ะแล้วก็เดินแล้วก็เดินกลับโรงเรียนเองสองคนคับเพื่อนครับ โรเรียนก็พาไปเลยใช่ค่ะ ม, มีทุกปีค่ะโงเรียนเตอร์ก็ยังมันพาเขาว่าได้เลยเออจริงๆมันก็ยังไม่ยังไม่ถึงอินเตอร์นะคะแต่ว่าเขาก็เขาก็เขาก็ยังให้เพราะว่ามีหลายศาสนาอยู่ค่ ะ, ะก็มีทั้งไทยพุทธซิกอิสลามแล้วก็คริสนะคะก็แยกกันทำไปหรือว่าทำพร้อมกันทาด้วยกันก็ก็คือถ้าเป็น ศา ส, สนาพุทธก็จะมีแบบว่าบางคนที่เป็นคริสเขาก็เข้าไปร่วมด้วยแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปถวายของแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนซิกซิกบางครอบครัวก็นับถือพุทธด้วยก็เขา้เขาไปทําบุญแต่เขาไม่บังคับใช่ไหมไม่ได้บังคับค่ะก็คือแล้วแต่อืแตจ่จริงจริงค่ะจริงๆแล้วโรงเรียนนี่ที่ ที่ที่เป็นเจ้าของก็จะอ่าเป็นทางตุรกีอ่ค่ะอืมค่ะก็ดีเขายังมีเจ้าจิตใจฝ่ายศาสนาอยู่บ้างค่ะต้องให้เพราะว่าเพราะว่าคนพุทธก็ไปเรียนกันก็เยอะเหมือนกันค่ะอืมเขาก็ต้องมีมีให้ให้เข้าไปก็คือแต่ละศาสนาเขาก็มไม่ได้ไม่เราไม่มีศาสนามัน ก, ก็จะเป็นเดรัจฉานไปหมดนะค่ะอืม าศาสนาเนี้สสำคัญช่วยรักษาคนให้เป็นมนุ ษ, ษย์อยู่ไปเรื่อยๆไม่ให้ไปเป็นเดรัจฉานสอนให้รักษาสีนห้า<ภ>วันนี้ก็เลยหนูไม่ได้ไปกับเขาด้วยเขาเดินไม่ไหวก็เลยเขาก็ไปกับทางโรงเรียนแล้วก็ฝากปัจจัยไปร่วมทาบุญค่ะอ่านี่ค่ะโรงเรียนเขาก็มีจัดพวกสังฆทานอะไรพวกนี้ไปด้วยค่ะ ไปกี่ชั้นไปกี่ชั้นด้วยกันก็ไปทางโรงเรียนค่ะที่สําหรับคือคือทางโรงเรียนนะค่ะที่ที่ที่ผู้ปกครองอนุญาตใช่ค่ะแต่ว่าเด็กเด็กประถมไม่ไปนะคะเด็กประถมเด็กเด็กอนุบาลใช่ไหมประถมเล็กครับอ๋อเด็กอนุบาลไม่ใช่อนุบาลครับประถมเล็กคประถมเล็กคือปหนึ่งปหนึ่งปสองปสามสี่ไปประถมใหญ่ไป กระทบใหญ่ไปมีมัธยมด้วยป่ะเรื่องนี้ดีค่ะมัธยมไปหมดค่ะมีถึงม6ค่ะมียาเอ๊อยู่ชั้นไหนปมีป5ถึงห1ถึงมถึงมอะไรก็ได้ค่ะจึงม6ค่ะเมื่อกี้หลวงตาถามน้อพี่เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับพี่นิวม1แล้วค่ะอ่าม1 1ม1เย้เอค่ะดีค่ะชอบโรงเรียนนี้ไหมครับชอบเด็กหน่อยครับ ทำไมนิดหน่อยน่ะเพื่อนไม่ค่อยชอบเพื่อนไม่ค่อยดีครับเพื่อนไม่ดีหรือว่าเราไม่มีเราไม่เราไม่ดีเองค่ะก็ไม่ดียังไงแกล้งหราตลอดเลยครับเโดนแกล้งอ่าเคว่าเป็นเป็นการสร้างบารมีนะเมันบารมีบารมีบารเกิดเข้าเนี้คิดวทีนี้ ให้เรามีความอดทนขันติอดทนอดกั้นให้อภัยเมตตาบารมีนะยอมหยุดเย็นนะอย่าไปเอาแพ้เอาชนะกันยอมเขาจะแก้ก็ปล่อยเขาแก้ไปเราหลบได้ก็หลบให้อภัยเขาได้ก็อย่าไปโกรธเขาฝั่งของตาก่อนให้อภัยเขาอย่าไปโกรธเขาคอืม เราเป็นสิทธิ์พระเวชันดอนนะเรามาสร้างบารมีกันแล้วบอกบอกท่านได้อ่มน้องตาถามว่าดีไม้ดีค่ะแต่ต้องพี่บอกท่านได้ไมเรื่องทีเรื่องทีว่าอะไรครับก็จะจะปล่อยวางไงค่ะอ่ะก็ถามถามได้ครับวันนี้เพื่อนเพื่อนของหนูเขาแค้นแค้นเพื่อนหนูมากเลยทั้งสองสามคนเลยค่ะอืม แล้วก็จะวิ่งไปต่อยเขาค่ะ mm hmm. เหตุที่โรงเรียนไม่ไม่เคยมีแบบหนึ่งนักเรียนหนึ่งคนอะ่ะต้องครูมาคุมต้องประมาณห้าคนนะะอื mm hmm. เพราะแบบเขาคุมสติตัวเองไม่ได้ไม่รู้ mm hmm. เขาเป็นอะไรเจอหน้าใครก็โดนต่อยหมดเลย mm hmm. คือแบบคนที่เจอหน้าทีอะค่ะเพื่อนของหนูอค่ะเขาก็จะทีเพื่อนทุกคนเขาก็จะโดนทีต่อยหมดเลย Mm hmm. หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ให้เพื่อนเขาได้กับมาปกติครับเพราะว่าคครูของเพื่อนของหนูก็โดนโดนเกือบโดนต่อยหน้าหนูก็เลยวิ่งเข้าไปรัดคอจับไปให้ครูต่อเอาไปให้คูคูไปให้ไปอยู่กับครูต่อค่ะ แล้วหนูจะต้องปล่อยบายยังไงคะเรื่องที่เพื่อนโดนต่อยก็ถือว่าเป็นกรรมของเขากแล้วกันเขาเคยทำกรรมอนไดไว้เขาก็เลยต้องมารับผลกรรมเขาอาจจะไม่เคยไปทําร้ายคนอื่นมาก่อนเขาก็เลยต้องมาถูกทําร้ายอหนูก็ไม่ต้องไปทําอะไรถ้าช่วยได้ก็ไปลองไปช่วยดูแต่อย่าไปทําร้ายคนอื่นช่วยดึงเขาออกมาอะไรทำน้องนี่ แต่แต่อย่าไปเราอย่าไปทําร้ายคนอื่นจริงหนูก็มีสอนเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หนูอยากเข้าไปยุ่งแต่ให้ไปบอกครูเข อ, อเขาก็อยู่ด้วยแต่ว่าก็บอกว่าเาา ข, า ก, ขาก็เล่าบอกว่าครูก็ไม่ไม่ไหวเหมือนกันนะน้อึงหนูถึงวิ่งไปรัดคอออกออกมาอย่าเงี้ยค่ะช่วยได้อะค่ะช่วยได้แต่อย่าไปทําร้ายคนอื่นแล้วกันค่ะเด็กเด็กที่โดนทับร้ายก็ เขาก็ชอบทำร้ายคนอื่นเหมือนกันก็เลยโดนกับเขาคงทนไม่ไหวอ่ะก็เป็นปกติของเด็กฮะกลมกรมกลมเกียดนะคะสอนลูบอกลูกไปถ้าเฉยได้ดีดยามเจ็บเนี้ยเจ็บตัวเท่ามันอดทนน้อยเราอยู่เฉยๆก็อาจจะไม่กล้าทำอะไรเราก็ได้เด็กในสมัยนี้พูดเยอะค่ะ พูดบางทีเด็กโอ้ของสคงจะดูละครดูหนังกันเยอะอพูดจาไม่ไม่ค่อยน่ารักกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกอก็สอนน้องพีมันก็เป็นแค่ลมปากแหละมันก็พ่นไปเหม็นเหม็นแล้วก็หลบเอาซะเราก็สอนเขาประมาณนี้ค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ให้ให้คิดว่า สิ่งที่เขาพูดมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มาปรับปรุงตัวเองถ้ามันจริงเราก็มาปรับปรุงตัวเองถ้ามันไม่จริงก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็ให้ทําความดีอยู่สม่ําเสมอก็อย่าทําไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะออโอเคมีอะไรไหมง่วงนอนแล้วเหรอปิดตาเหน่อยสินลูกง่วงตลอดเลยค่ะเวลามาคุยเนี่ยอืม อาทิตย์อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า อ, อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าสอบน้องพีสอบอะค่ะวันพดธค่ะอ่าดูนน้องพีเยอะนะเตรียมตัวเไว้เนี่ยอาจจะอาจจะเข้ามาไม่ได้นะคะใช่ไว้สอบได้คะแนนดีๆนะครับสาธุค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอให้หลวงพ่อท่าข่ายแข็งแรงนะคะสาธุอ่ออออจอจาจ่าแมทจ๊ดที่มีปัญหาไหมนักที่โรงเรียน ก<ม>ำลังนักแสดงครัอาจารย์ครับที่โงเรียนที่โรงเรียนไม่ค่อยมีปัญหาครับ อ, อืดีครับวันนี้มาส่งกันมาแล้วก็รายงานกันนั่งสมาธิครับอ่ารายงานก่อนครับตอนนี้ครับก็คือตอนนี้จะมีทุกประเทศจะมีวันหนึ่งที่นั่งสี่สิบนาทีแล้วครับเด็ดอดีตละวันนะใช่ครับไหวไหมยากไหมไหวครับอืมธรรมดานั่งเท่าไหร่สามสิบห้านาทีครับ อันนี้ณิพอทธ์ก็เป็นสี่สิบพัทธิละวันครับต่อไปลองสองวันได้ไหมได้ครับอลองขยับไปเทียนิเทียหน่อยครับอยู่กําลังนะมันจะได้พัฒนาไม่ก็อยู่กับที่ไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆขยับทียนิเทียหน่อยไปถ้าขยับทียนิเทียหน่อยมัน ม, มันไม่ยากหรอครับดียินดีด้วย ก็มีอะไรอีกไหมครับเจะสกันบ้านครับเจอตีนั่งด้วยรึเปล่านั่งด้วยครับไหวไหมก็ไหวครับต้องไหวนะเรามีพี่เป็นผู้นําเราต้องตามพี่นะเราโชคดีมีพี่ชายคอเป็นคนนําเราถ้าเราคนเดียวคงอยากทำเองไม่ได้ใช่ไหมไหวพี่เขาทาได้เราก็ต้องทําได้ใชนะ่ไหมครับ อ่านี่ต้องขอบคุณพี่กันนะโอเคอ่า okay. ส่งการบ้านต่อเอ่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องพน้นความแก่ <lun> s. <S เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้องพ้นความตายเป็นไม่ได้เราจะเว้เป็นตามๆคือว่าเราจะต้องพลัดพากจากของรักของจ <ะ S 1> จเจริญใจทั้งอายทั้งปวง เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสียไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถออือ่จงนั้นเราจะต้องมีการพัดาจากกันเป็นธรรมดานะ ครับอ่าบางทีก็จากกันชั่วคราวบางทีก็จากกันอย่างท้าวรครับต้องพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเอาไวนะ้นะครับจะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่เศร้าใจโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวพวกเราเป็นเหมือนเพือ่อพวกเราเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างฟองน้ําก็แตกอืม อยู่ในโลกนี้ไม่นานไม่ไม่ถาวรไม่ตลอดไปใครจะไปก่อนไปหลังนั่นเองนะต้องคิดบ่อยๆ<อ>ใจก็จะยอมรับแล้วก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจครั บ, อบอโอเคเรื่องร่างกายเป็นยังไงบ้างมีอาการอะไรบ้างมีอะไรบ้างในร่างกายเราเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ยี่ในกระดูม้ามหัใจตับขังคือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายี่ในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงาน้ำมันขนน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำขึ้นข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำขึข้อน้ำมูก น้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงี่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสเ็จน้ำตียีน้สมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตพังผืดตับหัวใจม้ามยีนในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนผุบ ยากไหมท่า อ, อาการตอนที่สองนี่ยากไหมไม่ยากไม่ยากตอนต้นยากไหมตอนยากอยู่ครับ อ, อ่พอต้องบ่อยๆก็ชํานาญนะครับต่อไปพยายามนึกถึงภาพเลยนะผม อ, อยู่ตรงไห น, นคนอยู่ตรงไห น, นเล็บอยู่ตรงไห น, นฟันอยู่ตรงไหนอ่าพอดออยู่ตรงไหนนะแล้วต่อไปเวลาเห็นร่างกายของใครก็พยายามมองให้เห็นอนาะการเหล่านี้ ครับแล้วเราจะได้ไม่หลงหลข้างกายกับร่างกายของคนค ร, ครมีอะไรไหมคนนี้จะถามอะไรไหมไม่มีครับอโอเคไม่มีก็ตอนนี้ก่อนนะครับร า, บ ร, ร, ารับลลคุณพระ อ, อ, อ, อาจารย์ครับไปที่เราเชื่อเลน้องน้องพิมน้องใช่ไหมขับน้มัสการครับพระอาจารย์ ฝนกับท<ว> <repeatedly> ิม <descon> ค <fin anta> <p uss ASE> ่ะพระอาจารย์ทิมเอาน้องทิมพระอาจารย์พอดีที่ตามไม่ได้เข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาค่ะหนูจะขับรถไปสักแก้วคนเดียวค่ะพระอาจารย์จะไปทําบุญที่วัดเอวัดทับช้างคิรีวันนะคะพระอาจารย์ก็อยากจะลองไปทําอะไรคนเดียวแบบสร้างศรัทธาของตัวเองคนเดียวอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็ อยากจะลองไปดูที่ทางด้วยว่าเผื่อเออีกหน่อยเผื่ออยากจะลองไปปฏิบัติธรรมทางทางนู้นดูแบบไปอยู่คนเดียวดูเลยแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ดีต้องสวัสดาพที่ปฏิบัติธรรมก็ลองลองดูอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ยังยังไม่เคยเขับรถไปไกลขนาดนี้ค่ะก็ก็เดี๋ยวจะลองดูพรุ่งนี้อ่ะค่ะก็ไปไปคนเดียวแล้วก็แล้วก็ไปเช้าเย็นกลับนะคะพระอาจารย์ ตอนแรกนกับว่าจะไปฟังธรรมที่ที่ที่วัดยาหรือว่าพอดีเหมือนทางวัดนี้เขาเขาพอดีหนูได้ติดต่อไว้ก่อนแล้วก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปทางนู้นก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะขึ้นไปฟังธรรมที่นักกุฏิค่ ะ, คะพระอาจารย์อไปที่ไหนก็ได้เหมือนกันะของเราฟังที่บ้านก็ได้่ดูยอด้อนหลังก็ได้อมีตลอดยี่24ชัว่วโมง เป็นมีแบบเข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงที่เราจะเข้าหรือไม่เข้ามา้เข้ายังเข้าอยู่ค่ะอาจารย์เยังเข้าโชคดีทีสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลต้องรอให้มีเวลาว่างต้องไปวัดเราถึงจะได้ฟังเทศฟังธรรมแตสมัยนี้เราฟังได้ตั้งแต่ทั้งวันทั้งคืนเลย ของใหม่ก็ได้ของเก่าก็ได้มีดูย้อนหลังอะไรถือว่าเรามีบุญมากนะได้ยุคนี้ได้ได้มีโอกาสได้ฟังทำตลอดยี่บสี่ชั่วโมงหนูก็อยู่ออฟฟิศสหายเราช่วงที่ว่างอย่างตอนช่วงบ่ายสองเงี้ยค่ะก็ก็นั่งนั่งฟังทำไปแล้วก็นั่งทําสมาธิไปอะค่ะตอนอตอนช่วงช่วงช่วงอยู่ออฟฟิศสหายพระอาจารย์ก็มีมีเวลาได้ทําบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ดี อแล้วก็ทําได้ทุกที่ค่ะอผลมันเกิดจากการการทาถ้าไม่ทํามันก็ไม่มีผลตามมาค่ะดี๋ยวนี้น้องทมีอะไรถามไหมไม่มีคถามครับอันนี้นอตอนนี้นั่งสมาที่ได้กี่นาทีแล้วมันได้เออแปด น, นาทีครับแป น, นาทีคิดอยากจะเพิ่มไหม <laughs> ต้อคิดว่าจะเพิ่มเป็นแปดนาทีครึ่งครับคุณแนละ้วเครึเ<า>ดี <h ums> ยวเอาครึ่งเดียวนะคุณ <laughs> คุณแน่ใจเหรอคุณแน่ใจนะแปดนาทีคุณยังแต่ว่าคือตอนเขานั่งอะคะ่ะพระอาจารย์ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่นิ่งอะคะ่ะแต่ว่าเหมือนหนูรู้สึกว่าต้องระยะเวลาผ่านไปสักสักปักหนึ่งสักพักหนึ่งอะสักครึ่งสักสี่นาทีแล้วเข้าทีเแล้วเข้าท<ๆ>ี่ก็จะนั่งได้แบบเหมือนอยู่นิ่งๆได้นานนานขึ้นนะคะพระอาจารย์จนกว่าที่เขาจะกลับมาขยับใหม่ะะอ่ะค่ะ งั้นทีมรู้เวลาเลิกได้ยังไงมีตั้งนาฬิกาวไว้หรือครับตั้งนาฬิกาวไว้แปดคืนครับอ่านี่พยายามนั่งบ่อยๆนะนั่งประจำครับครับพยายามนั่งทุกวันตอนกลาคืนครับโอเคนั่งต้องอย่าไปนั่งเฉยๆนะต้องมีพุโทโธต้องมีอะไ ร, รนะอใจจะไดนิ่งจะได้สงบได้อ่าโอเค มีอะไรไหมแม่หมดแล้วใช่ไหมไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ขอใพระอาจารย์ท่านแข็งแรงเจ้าค่ะขอให้มีดวงตาเห็นเห็นทรรเหมือนพระอัญญากลทัญญานะกลาขอบพระคุณมากเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะถูกค่ะมีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดาท่านบกค่ะค่ะโอเคค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะไปที่คุณทันีทันีแบงคั อังไงพร่งนี้จะมีอะไรพิเศษแต่มาแม่แสดงบรรยากาศค่ะพุ่งนี้ต้องไปทํางานค่ะอไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปพิเศษใช่ค่ะวันอาสาะหะไม่ได้เป็นวันนักขัดก็เลยไม่ได้หยุดค่ะอเขาอยุดวันเข้าพรรษาแทนเนี่ยเออรู้สึกว่าจะไปหยุดหนูไม่แน่ใจเป็นวันนักขัดอีกวันหนึ่งไม่ใช่วันไม่ใช่วันทางพระศาสนาค่ะปลายเดือน เป็นธรรมดาวันอาสานี่จริงจริงเป็นวันนะค่ะแต่พอดีว่าเขาเฉลี่ยจะเออเป็นบริษัทแบบว่าเฉลี่ยวันหยุดอะค่ะเป็นสิบสามสิบสามวันต่อปีมันก็พอดีว่าเดือนเดือนนี้ได้แค่วันเดียวว่มันหยุดหยุดสงการหยุดอะไรหลายวันใช่แช่ค่ะเดือนนี้จะมีของบริษัทโนมินนัขัดแค่วันเดียวก็เลยไม่ได้หยุดค่ะออ แต่ก็ตั้งใจจะกลับมาจเจริญสติสมาธิที่บ้านค่ะพอาจารย์ก็ตั้งปฏิบัติเหมือนเดิ ม, ดมปฏิบัติเหมือนเดิมไปค่ะแล้วก็จะพยายามให้มากๆขึ้นไปค่ะอาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาให้เข้มข้นขึ้นค่ะทำทาบุญให้มากขึ้นถ้าไม่ได้มากเนี่ยนะก็ต้องรักษาไว้ไม่ให้มันน้อยลงค่ะพะอาจารย์ ได้ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุคุณสาธิกาไทยนาต่อฟังทำครัอาจารย์ปัจจุบันวันนี้จะทำบุญอะไรหรือเปล่าเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าเออพรุ่งนี้ก็อยู่ในบ้านนะสวัสดีเหมือนเจอมแล้วก็ปัดรับเหอปไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรเพิ่มเติมเออเดี๋ยววันนี้จะขึ้นเขา อ๋อขึ้นเขากี่วันไปแปดวันอ๋ออะไเยอะเหมือนกันนะนดีะแล้วคนกล้คนกล้เองก็ไม่บ่นนะก็ก็ดีถ้าเราไปเขาก็จะได้ใส่ปากตอนเช้านลค่ะก็ต้องมาใส่ปากตอนเช้าแทนอ๋อถ้าเราใส่เขาก็ไม่ใส่นเลยอะไรแค่สลับอีกแค เรามาอยู่ก็ต้องทําเองแต่เขาก็ไม่มีอะไรหรอกปัจาันทรูปรแบบสไปสไปชิวชิวอะค่ะเขาอยู่ก็ ก, ก็แบบลูกไม่ค่อยไม่ค่อยบังคับใครใครอยากทำอะไรก็ฟังสไปลูกแบบดีเลย ไ, ไม่เคียดไปบังคับเขาเดี๋ยวเขาไม่ทําตามแล้วเราจะเครียดแต่เขาชอบแย่เขามีความสุขในการแย่ลูกให้ลูกปี๊ด ก็ถือว่าเป็นมาทดสอบบารมีก็แลกันก็ดีครับแสดงค่ะบารมีบารมีบารมีใช่แต่มันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรที่มันมันอะไรแค่แย่ธรรมดาสีวิตก็เรียบๆไม่ได้มีอะไรมันจะจ้าจ้า้ออื เป็นมาเลยยังอยู่ที่ทํางานอยู่ไหเนี่ยสาวหลวงพ่อค่ะยังอยู่ที่ทํางานค่ะหลวงพ่อโอ้ยทำดึกอะพอดีวันนี้มีปิดปิดบัญชีอะค่ะหลวงพ่อก็เลยจะทําไปหน่อยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วยังเลยค่ะอืมอาจจะต้องนอนที่บริษัทเลยมั้งเปนนี้ไม่อะค่ะหลวงพ่อดึกอาจจะ สี่สี่ทุ่มอะไรเงี้ยค่วหนูอ๋อแล้วเช้ามันกลับมาอยู่ดีอีกนะอ๋อเช้าพรุ่งนี้หยุดค่ะหนูอ๋อพรุ่งนี้หยุดนะค่ะแล้วก็วันค่ะแล้วก็วันศุกร์หยุดเข้ามาสามไม่หยุดค่ะไม่หยุดนะค่ะหยุดแต่เพราะรหัสพวกนี้ศุกร์ต้องกลับมาทํางานเลยค่ะพ่ออืดก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่ออืม แล้วก็พิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อพ อ, พอยิ่งพิจารณาเข้าไปเยอะๆให้มันละเอียดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงเข้ามาเรื่อยๆค่ะหลวงพ่ออืมคามจริงนั้ก็คืออันนี้จำทุกขั้งแนะตาใช่ใช่ค่ะแล้วพอมองทุกสิ่งทุกอย่างอะที่หลวงพ่อสอนว่าให้มองแล้วให้มันลงที่ไปรัททั้งหมดต อ, อมตอนแรกตอนแรกที่ยังไม่ได้พิจารณา มันก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะไปเข้าหลักคณิจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงแต่พอไปดูแล้วทุกจุดมันเข้าหมดเลยลอ่ะค่ะหลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นคณิจังทุกขังอนัตตาใช่ใช่ค่ะหลวงพอ่ออย่างอย่างเมื่อคืนพี่งานเรื่องวันนะคะหลวงพอ่อโอ้โหมันยิ่งยิ่งละเอียดเข้าไปจะเห็นเลยทุกจุดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเนี่ย มันก็เห็นแล้วว่ามันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงคือฟันไม่มีพอฟันไม่มีเอ้าแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงอ่ะเป็นทุก์ก็คือทนไม่ได้กับสภาพเดิมมันก็ต้องเกิดฟันชุดแรกหรือว่าฟันนัมโณมอย่างเงี้ยค่ะงพ่อมันก็จะเห็นต่อไปมันไม่มันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็จะต้องมีอ่ะพอเพราะมันมีเสร็จมันมันเปลี่ยนแปลงอีกค่ะหลวงพอก็คือฟันฟันชุดแรก หลุดไปมันก็มันก็ไม่เที่ยงอีกมันก็เป็นทุกข์อีกจนจนกระทั่งฟันจริงฟันแท้ถึงแม้เราจะดูแลมันขนาดไหนแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ลงไตลักหมดเลยค่ะหลวงพ่อเมื่อคืนพิจารณาแล้วแบบมันละเอียดมากๆเลยอค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็เห็นเห็นความจริงที่ละเอียดมากๆแล้วก็พอพิจารณาไปแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็เกิดเป็นสมาธิที่แน่นขึ้นดีขึ้น <He> hn, ตกต <he hn S 2> ่ำสมา<ะ>ธิที่เกิดจากปัญญานี่ปัญญามันญายั่งยืนถาวร<า>ค่ะมันหนักแน่นมันมั่นคงมันกว้างมันแข็งแรงกว่าค่ะหลวงพ่อแล้วอารมณ์ตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราหยุดการพิจารณาแต่ว่าจิตเน่เวลา อ, ออกมาเนี้ยมันก็ยังมีอารมณ์ของสมาธิอยู่แบบนี้ค่ะหลวงพ่อหนูมือเขาถึกว่ามัน ปัญญาเอาไว้นปัญญา ว, วัดสติใช่ใช่ค่ะหลวงพมันเห็นเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วถึงเมื่อฟังฟังเ อ, อ่อเทปหลวงตาแล้วก็หนังสือของหลวงตาท่านก็เน้นย้ำว่าพิจารณาอสุภะพิจารณาร่างกายเอาให้หนักหนักเอาให้มากๆคือพอมาลองทําแบบนี้ค่ะหว่ามันเห็นถึงคําพูดคําสื่อสารที่หลวงตาสอนนะคะหลวงพ่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆมัน มันต้องละเอียดคือละเอียดในที่นี้หมายถึงว่ามันจะเห็นความจริงเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่แค่พิจารณาแค่แบบแค่แบบไม่เ้าเรียกอะไระคะ่ะหลวงพ่อหมายถึงว่าพิจารณาแบบผิวๆเหมือนเผลอนี่มันก็จะยังยังกินน้ำใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อยิงย่งพิ จ, พจารณาตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อจะมีนเป็นอัตโนมัติแปดาง้นค่ะแล้วพอ พอพิจารณาเห็นเห็นความจริงแบบนี้มันจะไม่เบื่อค่ะหลวงพ่อมันคือทั้งสติทั้งสมาธิมันจะมาคู่กันเลยค่ะหลวงพ่อมันจะดีมากๆค่ะพ่อนี่ทาต่อไปทำใหมันเป็นเป็นอัตโนมัติไปทำบางไม่ต้องบังคับมันเห็นปั๊บมันก็จะเห็นตะลุไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อโอเคขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆค่ะหลวงพ่อที่ชี้ทางให้ได้เห็นนะคะหลวงพ่อ อย่าทำงานเด็กเกินไปนะค่ะหลวงพอ่อเดี๋ยวกลับไปก็ไปต่องานงานทางใจต่อค่ะหลวงพอ่ออาจารย์เวลาไหนนอนอไม่เวลานอนเลยก็ของ่วงยังไงขอผมวงพ่อมันไม่ง่วงนะคะพอพอไปถึงนาทีนั้นนะ่ะมันจะตื่นไปเลยค่ะหลวงพอ่อมไม่ไม่มีที่จะหยุดเลยสักวันหนึ่งค่ะหลวงพ่ออ่าอันนีค่ะอ่าอุก uh, <two. S 2> ขอบพระคุณมากๆคะ่ะอ่า ทาคนหมอเนี่ยหมอต้ายังไม่กลับเลยครับน้มักการค่ะพระอาจารย์มาไล้ค่ะมาแล้วครับพระอาจารย์ทํำได้ครับตอนแรกสบายดีเลยทราบจะถึงคิวเร็วครับอสบายดีครับค่ะพระอาจารย์ก็ยังก็ยังทําสมาธิอยู่ค่ะพระอาจารย์อยากให้ตารายงานตาได้ทํำไหมครับก็ยัง ก็พยายามพยายามนครับอาจารย์ก็มีมีหลุดไปในหลายๆวันครับอาจารย์เวลางานทางโลกยุ่งยุ่งครับอาจารย์แต่ก็พยายามจะกลับมาใหม่ครับเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยทําได้ต่อเนื่องทุกทุกวันก็ช่วงนี้ก็มีถอยไปบ้างแต่ว่าจะจ ะ, จะพยายามไม่ไม่ทิ้งตรงนี้ครับพระอาจารย์ครัพยายามอย่าให้มันขาดนะครับพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ทูกอาทิตย์ก็จะได้ได้เป็นตัวกระตุ้นตัวเองค่ะนี่ค่ะพระอาจารย์อ่านเพียง อที่ไหนความเมตตาอยู่ไหนความสาเร็จอยู่ที่ไหนนะค่ะอาจารย์อ่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะเข้ามาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์ค่ะากขอบพระคุณพรอาจารย์ครับอาจารย์พร้อมไม่ไเชิญอันนี้ถ่ายแม่นได้เลยแม่นดังไม่ค่ะพยายามไม่มองจอค่ะอเวสก็การสัดตาไปด้วยค่ะก็สองสัปดาห์นะคะ เราทำงานประจานกันเพราะมองมองจอแล้วป็นขั้นเพ่งค่ะใช้ตาคนนั้นต้องโกนไปไงยังดีอยู่นะแต่ตาดีครับผมทำมาสิบปีแล้วฮะทั้งสองข้างแล้วก็เป็นแบบ multiple focus แต่ว่าเห็นหมอบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นประกายฝ่ายขับรถกลางคืนแต่ของผมไม่เป็นเกิดหรือว่าดีฮะ สิบปีแล้วฮะแป๊บเดียวผ่านไป<ช>ทั้งสองข้าง <c oughs> เวลาย่มหมุนไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่ได้ยินอนุลูกูไม่ได้ยินมีปัญหาที่หูตาตาใช้ได้เดี๋ยวหูเริ่มมีปัญหาต้องใส่หูฟังแล้วกอได้อะ วตอนนี้เมื่อกี้คุยกับหัวโตโตไปไหนก็ถือไม่เท้านะตอนนี <Yeah. S 1> <laughs> ส้สังขาญไม่รอใครคะ่ะเราไปเดินตอนนี้ก็ต้องหาเขายี่นั่ง <laughs> ยืน<ว> <laughs> บอก ถ, <laughs> ถ้าเดินชาก็ต้องขี่รถเข็นไปด้วยต้องมีอะไรนั่งเดินไม่ไหวแล้วเนี่ย อาจางย์รู้สึกต้องต้องนั่งเยอะขึ้นนะคะเห็นเวลานั่งแทบุ๋นที่ก็รู้สึกอาจารยก็อนั่งไม่เป็นไรแต่พอยืนต้องต้องไม่ถึงห้านาทีก็เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วมันไม่ปวดแต่มันเมื่อยเมื่อยก็สังขารเป็นอย่างนี้สังขารทุกคนไม่มีใครไม่ไม่เจ็บหลังคนแก่ทุกคนทายใช่เจ็บมากเจ็บน้อยฮชเจ็บแบบไหนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญ บุญมากเลยนะที่ยังเดินเดินได้อยู่นี่รักษาสุขภาพไม่ดีนะครับพระอาจารย์สาธาคันค่ะอย่าสาธขออนุ ญ, ญาตออกฟังนนข้างนอกนะคะไ่้าตหมจ้องจองจออย่าตามสบายเลยปิดกล้องก็ได้่ปิดกล้องอ่าไปที่คุณปูเป้ต่อปูแป้ กลับน้มันสกัดชาพราจาได้ยินหนูไหมเจ้าคะอย่ชัดเจนเจ้าขาพราชารหนูก็ลุยปฏิบัติเหมือนเดิมยังลุยก็คือลุยใช้ร่างกายนี้ร่างกายาาไม่ใช่เราตัวเรานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นผู้รับใช้เราเป็นผู้รับใช้เราตอนแรกหนูก็นึกว่า นู ม, มาเห็นความสําคัญตรงใจสําคัญกว่ากายเนี่ยแหละเจ้าค่ะพระอาจารย์พอใจสําคัญกว่ากายก็เลยใช้ร่างกายที่เหลืออยู่ได้เป็นประโยชน์เลยค่ะพระอาจารย์ามารับใช้ใจให้บรรลุวิธีรับใช้ใจเพื่อกำจัด ก, กิเลสนะอย่ า, อาไปรับใช้ใจเพื่อสร้างกิเลสพระอาจารย์กิเลสเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ยิ่งอยู่ในสังคมด้วยในปัจจุบันก็เลยแบบต้องแบบ พุทโธพุทโธมาช่วยด้วยค่ะพระอาจารย์เราต้องมีพระพุพะทธธรรมวสุงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็ลุยต่อไปค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> เพราะว่ายังอยู่ทํางานอยู่ค่ะพระอาจารย์โอเคสู้ต่อไปสู้ไม่ถอยนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไปที่คุณจุ๊บโกเ ไ, ไปไปไหที่นักจุ๊บเลือกที่เดียวในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อาทิตย์ที่แล้วหนูไม่ได้เข้ามาเจ้าค่ะคือคือกดเข้ามาแล้วแต่ก็เข้าไม่ได้เจ้าค่ะเขไม่ทันเนี่ยกสลับกันเข้าอะไรนี้่ก็ก็ดีค่ะเหมือนได้แบบบททดสอบด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็คงจะแบบใจกระวนกระวายทําไมเราถึงเข้าไม่ได้นะแต่อาทิตย์ที่แล้วคือก็ใจมันก็เย็นมันก็เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เราเราเราดูอยู่ข้างนอกก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าเราไม่มีคําถามเราเหมือนกัน อ่าดีมีอะไรแม่จะถามไหมวันนี้วันนี้หนูมีคําถามค่ะคือมันเป็นคําถามงงๆหน่อยนะเจ้าค่ะก็ต้องงงนดนึงค่ ะ, ะถ้าฉลาดก็ไม่ถามนะ <c oughs> คือในบทสวดมนต์วัดเช้าอะค่ะพระอาจารย์ ม, มันมีสัพเพสังขาราอานิจาสัพเพธรรมาอนัตตาติสัพเพธรรมาอนัตตาติทําไมคําว่าธรรมาอนัตตาตินี้ธรรมานี่คือธรรมชาติหรือเปล่าเจ้าค่ะ ทำไมมันถึงคือกาว่าสังขารนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการประสมปรุงแต่งของธาตุสีเช่ชนน่างกายเนี่ยมันทํามาจากธาตุสีเราก็เรียกว่าสังขารสิ่งใดที่มีการประกอบขึ้นด้วยธาตุสีเช่นต้นไม้ก็มาจากดินน้ำลมไฟของอะไรต่างๆที่เกิดจากการประกอบผสมปรุงแต่งของธาตุสีเราเรียกว่าสังขารสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้อง แตกดับไปแต่คำว่าธรรมาธรรมะธรรมะนี่มันหมายถึงสิ่งที่เป็นทั้งสังขารและไม่ใช่เป็นสังขารสิ่งที่ไม่เป็นสังขารก็คือธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ไม่เป็นสังขารดินก็เป็นดินเนี่ยนะมันไม่ได้ผสมมันไม่ได้เกิดจากการผสมบูแต่งจากของอะไรธาตุดินน้ําลมไฟธาตุรู้แล้วก็อวกาศสัตวอันนี้เรียกว่าบัญทรม เป็นธรรมที่ไม่มีการประสมปูกแตง่งเป็นธรรมที่ไม่ใช่เป็นสังขารเน้นพอพูดถึงอนัตตานี่ก็เลยต้องพูดถึงตัวที่ตัวที่ไม่ได้เป็นสังขารด้วยก็คือธาตุดินน้ำลมไฟนี่ก็เป็นอนัตตาด้วยไม่มีตัวตนธาตุรู้ ก, ก็เป็นอนัตตาด้วยเป็นอย่างนี้เองเข้าใจยังจะเ้าเข้าใจได้ป้างครัยยบถ้าสังขานี่มันเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมปูแตง่ง ของธาตุธาตุสี่ธาตุห้าธาตุร่างกายของมนุษย์กับสารนี้มีธาตุสี่บวกกับธา 5, ตุห้ามือกิจธาตุรู้มามาทําประกอบทําให้เกิดการเคลื่อนไหวหเกิดเกิดการอะไรทำอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเพื่อนพวกต้นไม้นี่มันมีแค่ธาตุสี่นิ้าลมไฟแต่ไม่มีธาตุรู้มาเกาะมันก็เลยไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการพูดตอบอะไร ไ ม, ม่ความรู้สึกนะึกคิดอืมวันนี้เป็นสังขารนะส่วนตัวที่มามาม า, มารวมทําให้เป็นสังขารขึ้นมาคือดินน้ำลมไฟกับธาตุตรงนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสังขารเป็นธรรมเป็นอาสังขัดอาสังขารธรรมอสังมันมีธรรมสองแบบสังขารธรรมกับอาสังขารอาสังขารธรรม สังขารละธรรมก็คือร่างกายต้นไม้อะไร อ, ส, อสังสังสังขารละธรรมก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสังขารเป็นธรรมที่ไม่ใช้เป็นสังขารเป็นเป็นของมันล้วนๆเช่นน้ําก็เป็นน้ําล้วนๆดินก็เป็นดินล้วนๆไฟก็เป็นไฟล้วนๆเวลามมัน ไ, ไ, ไม่มาผสมกับใครมันก็เป็นของมันเฉพาะตัวของมันเองแบบนั้น มันก็ไม่มีตัวตนดินก็ไม่มีตัวตนน้ำก็ไม่มีตัวตนนมก็ไม่มีตัวตนไฟก็ไม่มีตัวตนเมื่อเขาไม่มีตัวตนมารวมตัวกันแล้วมันจะมาทําให้เกิดตัวตนขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ไม่มีตัวตนสังขารก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันน้ำก็ไป็นของไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่รวมตัวกันตลอดเวลามันรวมตัวได้ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็แยกตัวกันไปแยกไปคนละทิศคนละทางอย่างร่างกายของเราชีวิตของเรานี่ เดี๋ยวมันก็แยกกันท่านทานสีในร่างกายมันก็จะแยกกันไปพออยู่หายใจท่านลงก็ไปก่อนตามด้วยทานไฟร่างกายก็เย็นเฉียบเดี๋ยวท่านดินกับท่านน้ำเดี๋ยวน้ากับดินมันก็แยกออกจากกันไปร่างกายก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปผุพังไปกลายเป็นดินไปอนคือสังขารแต่ตัวที่แยกออกไปมันเป็นอสังขาร ดินยกออกไปดินดินไม่ดินนี่เป็นอสังขารน้ําเป็นอสังขารไม่ใช่เป็นตัวสังขารไม่ได้เกิดจากการปลูงแต่มันเป็นธาตุน้น่นนวลเราก็เลยไม่เรียกว่าเป็นสังขาร้าตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตไฟนี่เราไม่เรียกว่าเป็นสังขารมันไม่ใช่เป็นสังขารเหมือนกับร่างกายของมนุษย์ของสัตว์หรือต้นไม้ใบหญ้าเป็นสังขาร เมันเกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่หรือธาตุห้าธาตุเป็นร่างกายของคนของเดรลฉานเนี่ยเจะมีธาตุห้ามีธาตุนู้มารวมด้วยโอ อ, อยเข้าใจโ อ, อจะเข้าใจบ้างแล้วเจ้า่าพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะไปนั่งฟังนั่งย้อนอีกรอบเจ้าขาพระอาจารย์ที่พระอาจารย์อธิบายคือมันมีทั้งสิ่งที่เป็นสังขารกับสิ่งที่ไม่เป็นสังขาร เราก็เรียกว่าเป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นสังขารก็เป็นธรรมแยกว่ามันสังขารและธรรมกับอสังขารและธรมรมอาจารย์คะหนูเหมือนเคยได้ยินที่ไหนสัก ท, ที่นึ้เขาบอกมีอากาศและาธาตุมันมีมันเป็นยังไงล่ะคะ <S <S <S <S อาจารย์ก็อวกาศไงไม่ใช่อากาศอวากาศพื้นที่การที่เราธาตุสี่จะมีที่ตั้งอยู่ได้ต้องมีต้องมีอวมากมีพื้นที่ อาอกาศที่แปลว่าพื้นที่เหมือนภาษาอังกฤษก็แปลว่า space อะไรนะแล้วอวกาศเราส่งยานเราเราส่งยาขึ้นไปในอวกาศเนี่ยพื้นที่กว้างนะในอวกาศนะกว้างใหญ่ภพศาลใหญ่ยิ่ง ก, ก, ก ว, ว่าจั ก, กรวาลเนี่ยเพราะจักรวาลนี่ก็ต้องอยู่ในในในอวกาศสถานนี้ใช่ไหมดวงดาวดวงอะไรต่างๆมันต้องมีอวกาศมัอนอย่างมีที่ตั้งอยู่ได้ถ้าเกิดไม่มีที่ตั้ง เช่นคุณจะปลูกบ้านแต่คุณไม่มีพื้นที่คุณจะไปปลูกบ้านได้ไหมคุณต้องไปซื้อที่ก่อนใช่ไหมถึงจะปลูกบ้านได้ครับพื้นที่นี้นก็เรียกว่าอวกาศสัทธาที่ว่างที่ว่างเปล่าไปปลูกบ้านบนที่มีบ้านอยู่แล้วมาปลูกไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ถือว่าเป็นที่ว่างแล้วมันมนที่มีอย่างอื่นตั้งอยู่แล้วเช่นบ้านคนอื่นอย่างนี้แต่มันก็ตั้งอยู่บนนั้นในอวกาศสัทธา ในอวกาศสาัตว์นี่เป็นตัวที่ครอบทุกอย่างไม่หมดเลยทุกอย่างต้อเกิดขึ้นในอยู่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ในอวกาศสาัตว์เข้าใจไหมคำว่าอวกาศาทีนี้อวกาศกับอากาศนี่บางทีมันตัวตัวตวอร์แหวนกับสลาอามันสะกดคายกันบางคนกาา็อ่านเป็นอากาศสาัตวไปแต่ถ้าดูที่เขาแปลมาอังเกตเขาแปลว่า space ถ้าอากาศมันต้องแปลว่า weather ดินฟ้าอากาศมันไม่ใช่ใช่มมันหมายถึงพื้นที่ความกว้างใหญ่ไพศาลของพื้นที่ที่สามารถให้จักรวาลตั้งอยู่ได้ว่าไปแล้วภาษาอังกฤษอธิบายได้ดีกว่าอชัดเจนกว่าเวลาอัานธรรมาบปนภาษาอังกฤษนี่มันเข้าใจได้ง่ายกว่าถ้าอ่านเป็นภาษาไทยภาษาไทยแล้วมันมันมันมันมันทับซับกันบางทีคาเดียวกันมันมีหลายความหมาย แต่ถ้าแปเป็นภาษาอังกฤษมันมีความหมายอันเดียวเช่นเวทนาเนี้าภาษาอังกฤษก็แปลว่า feeling ถ้าถ้าเป็นภาษาไท ย, ม, ม, ย, ม, ย, ม, ย ม, มันมีหลายความหมายเวทนาหน้าสมเพสเวทนาอย่างนี้ก็เป็นเวทนาความรู้สึกมันนี้หลายความหมายมันเลยงงที่อ่านภาษาไทยแั้งงแต่ถ้าอ่านภาษาอังกฤษมันมีคําเดียว feeling ความรู้สึก เราโชคดีตอนที่เราเริ่มเรียนหนังสือธรรมะเนี่ยเราได้ภาษาอังกฤษมาอา่านอะ้รไม่หงง<ๆ>เข้าใจง่ายอ่านติบาทานในภาษาอังกฤษนีน้เข้าใจได้ง่า ย, ายกว่าภาษาไทยเพราะภาษาไทยเรามันมีคำเดียวกันแต่มีหลายความหมายเช่นอธิษฐานนี่ก็มีมีหลายความหมายอธิษฐานนี่ส่วนใหญ่เคิดว่าใจไปได้ขอโน่นขอนี่ใช่ไหมนครับอ่าจุดทูบเทียนาล้วอธิษฐานขอพรจากพระอะ ขอให้รวยขอให้เก่งอันนี้แต่ความจริงอธิษฐานในครับในภาษาพราะนี่แปลว่าความตั้งใจความตั้งเป้าภาษาอังกฤษก็แปลว่า resolution อันนี้ตรงกว่าเช่นปีใหม่นี้เราจะมี new year resolution กั น, นปีใหม่ปีนี้เราจะไม่สูบเลยเราจะไม่กินเหล้าลอันนี้เรียกว่าอธิษฐานไม่ได้ขอ กาจารย์พูดนี้ไม่ได้สอนให้ขอสอนให้ทำให้ตั้งด้วยการตั้งเป้าหมายของการกระทาให้ลวกหน้าก่อนเ <c oughs> ช่นตรงนี้วัานนัสสาบูชาตั้งเป้าอย่างพวกนี้จะทาอะไร <c oughs> จะใส่บาตรจะไปวัดจะไปนั่งสมาธิจะไปฟังเทศน์ทางธรรมอันนี้แหละตั้งเป้าอาธิษฐานไม่ใช่ขอ แต่เราเราก็ไปเที่ว่าคำว่าอธิษฐานไปว่าขอกันไปว่าที่หลายคนอธิษฐานขอโน่นขอนี่เลยไม่ทําอะไรทั้งอย่างบุญก็ไม่ทำทาน ก, กนก็ไม่ลักเสียนก็ไม่รักษาแล้วก็ขออย่างเดียวแล้วหวังเลยจะได้จากการของเราไม่ได้พุทธศาสนาสิ่งที่เราต้องการมันเกิดจากการกระทําของเราไม่ใช่เกิดจากการขอรก่อนจะทำเราต้องมีเรต้องมีการตั้งเป้าหมายของการกระทําไว้ก่อน ถ้าเราไม่ตั้งเป้าพรุ่งนี้จะไปวัดเดี๋ยวเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ก็ไปกับเขาได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าแล้วพอเขามาชวนลราเสียใจเราตั้งใจว่าจะไปวัดแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนใจก็แสดงว่าไม่มีสัจจะตรง น, นี้ต้องมีสัจจะควบคู่กับอธิษฐานถ้าตั้งเป้าแล้วมีสัจจะด้วยก็แสดงว่าไม่เปลี่ยนใจเราให้ฝ น, นดินฟ้านดินถล่มยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจอย่างพระพุทธเจ้าตั้งเป้าว่าจะนั่งสมาธิจนกว่าจะตัดทะลุ จะไม่ลู้จากที่ไปจน ก, กว่าจะตัดสร้นท่านตั้งสัจจะอธิษฐานมีทั้งอธิษฐานมีทั้งสัจจะไม่เปลี่ยนใจยอมตายถ้าร่างกายจะต้องตายไปก็ยอมตายแต่จะไม่ลู้จากที่ไปจนกว่าจะตัดสริ้น <Okay. S 1> ภาษาภาษาอังกฤษมันแปลตรงตัวไปเลย resolution สัจจะก็ t r u t h f u อ o n e น t สัยซื่อสัตว์ไม่หลอกรวงตัวเองคนชอบหลอกลวงตัวเองตั้งเตาว่าจะจะไม่กินเหล้าพอตกเย็นขึ้นมาเพื่อนมาชวนไปลืมเลยว่าตั้งเบาไว้แล้วพอใจยังใส่แล้วเจ้าค่ะพระอารย์ อนี้คาว่าคาว่าอากาศจะธาตุนี่น่าจะเป็นอวกาศมากกว่าแต่เราก็ไม่กล้ายืนยันนะแต่เท่าที่เราเข้าใจเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอวกาศมากกว่าเพรอวกาศมันหมายถึงใช่ไหมคล้องคล้องฟ้าในอวกาศคล้องฟ้าทั้งหมดนี้ก็เป็นอวกาศขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ความรู้เยอะเลยเจ้าค่ะโอเคก็ดีเน้นได้คําถามงงงมามันจะได้ ถ้ามีคําถามฉลาดมันก็ไม่มีคําตอบต้องมีคําถามางงๆมันจะได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยม่ตนน้องกลัวคนเราต้องงงกับฉลาดเข้าใจไหม <c oughs> ถ้าฉลาดแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่ง่เลยแบบเขาก็ค <c oughs> <c oughs> ืออย่างคุณแนนเนี่ยฉลาดไม่มีคําถามเลยเจ๊ไหม อาจารย์นวการนะคะอาจารย์หกไม่มีคำถามเลยมาข้นกี่ปีไม่มีคําถามเลยจะรูปปฏิบัตินะคะดีเป็นคนโชคดีเตอแต่ทุกข์ค่ะอาจอทุกข์ก็นำนำคาสอนพระอาจารย์มาใช้มันก็เลยผ่านไปได้นะคะต้องปฏิบัติจริงๆเจ้าคะถ้าปฏิบัติเห็นผลแน่นอนเจ้าค่ะถ้าเป็นปฏิบัติถ้าไม่เห็นทุกข์ปัญญาก็ไม่ใช่เป็นปัญญายังเป็นสัญญา่คะ ใช่ค่ะพอดีเจอบ่อยค่ะก็เลยแค่มีมีปัญญาขึ้นมาได้เรื่อยๆค่ะน้องนํามาปฏิบัติค่ะปัญญามีไว้ดับทุกถ้าดับทุกไม่ได้การแสดงว่าไม่ใช่เป็นปัญญาใช่ค่ะอาจารย์บอว่าถ้าหยุดกิเลสกับหยุดความคิดได้ก็ถือว่าเราก็ใช้ได้ละค่ะ่ขอบคุณทุค่ะอาจาคุณยินดีต่อไป เดวิดวันนี้ไปทํางานแล้วเหรอถึงอเมริกาแล้วเหรวันนี้ค่ะไปทํางานค่ะถึงบ้านวันเสาร์ตอนตีสองค่ะท่านอาจารย์ก็เรียบร้อยค่ะแล้วก็วันนี้เขาก็ยันทํางานนะเขาไม่เคยขัดงานเลยท่านอาจารย์ก็ไม่ค่ะท่านอาจารย์นอกจากแบบว่าไม่สบายจริงๆถึงค่ะก็ทำก็ทํา ตามหน้าที่อะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ก็เวลาเขานั่งสมาธิเขาก็สะประบด้วยค่ะท<น>่านอาจารย์ท่านฟังได้ฟังงงงงค่ะเพราะความแตกต่างของเวลาค่ะท่านอาจารย์อืมก็เหนื่อยแต่เขาก็บอกว่าหนูก็ว่าไม่นั่งหรือนั่งหนูก็มีความรู้สึกว่านั่งมันก็ดีเพราะามันก็เป็นความเพียรอย่างหนึ่งใช่ไหมคะท่ า, านอาจารย์อย่างนั้นก็ได้ความเพีย ถึยงยังไม่อะไรสมาธิอย่างนั้นก็ได้วิเดียค่ะค่ะถ้าอาจารย์หนูก็ปล่อยเขาค่ะถ้าอาจารย์ก็ต้องเพียรก่อนถึงจะได้ผลถ้าไม่เพียรก็ไม่ได้ผลค่ะพอถึงเวลาเขาก็ทําของเขาลูกก็ทําของลูกเขาก็โอเคค่ะถ้าอาจารย์เขาก็ทําหนูก็ไม่ได้บอกว่าเอ่ยยังไงอะไรยังไงเขาก็ทําขาเองตัวใครตัวมัน ค่ะท่านอาจารย์ก็ท่านอาจารย์บอกว่าวิ่งรถคนละคันนะครับ <laughs> ท่านพยายามท่านอาจารย์ก็หวังว่าคงไปถึงจุดหมายเดียวกันนะครับท่านอาจารย์อดีใจ ไ, ไปใจกันที่นี่ผ่านนอะาจารยุค่ะท่านอาจารย์อาจรย์ุกค่ะแล้วเขาก็ก่อนที่จะไปเขาก็บอกวันนี้เออปากเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์บอกจองเต้ให้อาจารย์ด้วยนะอา่าขอบคุณด้วยนะ ขอบคุณท่านอาจารย์อยากสูงค่ะโอเคสารทุกคุณนิสาต่อ l อเอป็นไงตอนนี้เอวเอสงบนงเมียมน้องลกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ก็สงบสงบมากรู้ว่าอยู่แต่บ้านนะคะไม่ไมไเศร้าก็ไม่มีไม่มีอะไรอ่ะก็เพิ่งส่งทหารไปไปไ ป, ไปที่มีคน คนนี้มีกันอยู่กันเยอะไหมใช่ไหมเรื่องอไอซ์ใช่ไหมคะอ๋อเรื่องไอซ์ค่ะก็เห็นวุ่นวายอยู่ค่ะพรอาจารย์ก็เดือดร้อนกันเป็นหมดเห็นเพื่อนที่เขามีร้านอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีคนขาดอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ถ้าเกิดก็เขามาเจอเราเราต้องมีเอกาสารยืนยันยนะต้องมีอะไรคอายืน ย, นยันได้ ค่ะน่าจะมังคะเคียร์เขาคงเข้ามาดูก็ต้องก็ต้องมีเอกสารยืนจันนะคะอแต่สมัยก็ใช้ได้เป็นเอกสารใบกับก็ต้องมี work permit อะไรเงี้ยคะ่ะอาจารย์ถ้าเกิดคนทํางานก็มี green card มีอะไรเงี้ยมี social มีอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ค่ะก็แต่ตอนแต่ตอนนี้รู้สึกมันสตรีทนะคะอืมอืมก็คนที่แบบ อย่างผู้ประกอบการเนี่ยคนที่มีก็ต้องลำบากาค่ะต้องทำาัวกันมาทุกอย่างค่ะ อ, อาจารย์ก็คนงานก็ต้องบางคนเขาก็กลัวเข า, เ า, เาขอหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็เดือดร้ อ, <ำ>อนนะคะดำนินก่อนช่วงนี้ค่ <laughs> ะก็คงแต่ส่วนใหญ่เลยเขาจะเป็นแบบแม็กซินก่ะก่อนเลยค่ะ อ, อาจารย์เขาเขายังเรียก<ม>พวกนี้ว่าเป็นรอเป็นหุ้อยู่ห่ะ ค่ะใช่ค่ะค่ะอาจารย์ก็เป็นจุดๆรู้สึกว่าเขาชอบแบบตามพวกโฮมดีโพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พวกแบบที่เขาจะมีไชุมนุมกันไปใช่พวกใช่แบบที่เขาบอกว่าไปหางานกันเขามักจะมีค่ะที่หางานนะคนต้องการคนงานเขาก็ขับรถมาเรียกขึ้นรถไปเลยใช่ใช่ค่ะได้เป็นรายวันไปเลยค่ะใช่ค่ะอาจารย์ วันนี้ไม่มีเอกาสารอะไรทั้งสนค่ะอาจารย์อื ม, อมก็พอดีก็บางคนก็แต่ไม่ไม่ทราบไม่ได้กระดูข่าว่าประท้วงเขาไปถึงไหนแต่ก็มีมาตลอดนะคะพระอาจารย์ประท้วง ก, ก, กัุตัวทิศอืมค่ะบางทีมันก็เป็นการเมืองเขาบอกมันก็เป็นการเมืองค่ะอาจารย์เพราะ l a นี่มันเป็นของเดโมแครตนะค่ะอาจารย์อื ม, อม ก็ว่าไปตามตามทั้งโลกเขาค่ะพระอาจารย์ก็อย่างนี้ยละคะ่ะทรัมป์เาก็วุ่นวายไปหมดนะคะว่าเราทำใจกบบแบบตัวพระอาจารย์เห็นแบบภระสงา์ศีอะไรก็โหไทยก็โดนเยอะเลยะคะ่ะรัอาจารย์ก็คงเดี๋ยวต่อไปก็ไปแบบไปแบบว่า เพิ่มภาษีให้คนนู้นคนนี้เยอะๆเดี๋ยวตกสุดท้ายมันก็จะกลับมาหาคนที่อยู่ที่นี่ค่ะของก็คงจะแพงมากนะคะอาจารย์ใช่ของแพงขึ้นนะคะเคยซื้อร้อยหนึ่งกลายเป็นร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องนําเข้ามาจากที่อื่นหมดเลยเราก็ต้องขึ้นราคาหมดนะคะพวกของใช้อของอะไรงเงี้ยค่ ะ, อ า, ะอาจารย์เข้ามาก็จะต้องการสกัดของเข้ามาแล้วให้บังคับงไปซื้อของในประเทศ ค่ะพระอาจารย์ปกติแต่ก่อนที่ทําร้านอาหารนี่คือของมันก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นของเป็นพวกของไทยมันก็ต้องมาจากพวกของเครื่องใช้ในอร้านอาหารไทยมันก็ต้องอืเป็นของอนนมาจากเมืองไทยอะค่ ะ, ะมั น, มนก็โอนไ ม, ไม่มีเป็นเมยได้อย่างกระทงกะทิที่มันไม่มีมันต้องสั่งมา อ, อยู่แล้วที่ที่ไม่มีต้องเปล่าอ่ะพระอาจารย์เรก็ต้อง ต้องสั่งจากลุงไทยมันก็ต้องของมันก็ต้องขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์อตอนนี้ก็เลยเห็นคุยกับเพื่อนเขาก็จะแบบเริ่มกักตุนสินค้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรอาจารย์เพรมันได้ข่าวจะขึ้นอีกนะค่ะพรอาจารย์ททก็เป็นไปตามทางโลกมีขึ้นมีนองเป็นธรรมดาค่ะค่ะพรอาจารย์ทางโลกมล้วก็วุ่นวายอย่างเงี้ยละคะอาจาร ย, อยา์อย่าไปอย่าไปทุกข์กับมัน อ๋อไม่ค่ะลูกออกจากวงจรร้านอาหารมาแล้วค่ะอาจารย์มไม่งั้นลูกคงแบบวุ่นวายทั้งคนทั้งเรื่องสต็อกอสินค้าอะไรวุ่นวายไปหมดนะคะอาจารย์ชอืมโอเคมีอะไรไหมวันนี้อ๋อไม่มีค่ะลูกก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์พยายามรักษารักษาเอไม่ให้แบบถ้ามันหลุดออกไปแบบปฏิบัติน้อยลงพระมันกลับเข้ามามันก็จะแบบ ยากขึ้นนะคะอาจารย์อันนี้ไม่ได้เปิดบ้านนะคนเข้ามาดูอะไรใช่ั้ยอ๋อไม่แล้วค่ะจบไปละคือตอนนี้ปิดแล้วคะ่ะก็คนรอ อ, อ, อยู่ใน process ของการ esco ค่ะอาจารย์ต อ, อ, อนนี้ราก็ต้องย้ายออกอต่อไปค่ะอาจารย์ลูกมีเวลาถึงวัน เ, เดือนหน้าวันวันนี้เดือนนี้นะค่ะวันที่ยี่สิบลูกต้องออกค่ะอาจารย์ถ้าไม่ถ้ามัน c o m p ทุกอย่างนะคะอาจารย์ คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าคนซื้อเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรมาแบบต่อรองอีกอะไรเงี้ยเขาเขาอยากได้ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาต่อมากคือมันจะมีออฟเฟอร์แบ็กออฟเฟอร์ถัดไปอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นเอเจนต์เขาขู่เว่าถ้าคุณไม่เอาก็คือเดี๋ยวจะเรียกอีกคนหนึ่งมาอเงี้ยก็เลยลก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะอาจารย์ดีก็ขอให้ผ่านไป เรียมร้อยดีนะตาทุค่ะพระอาจารย์ก็จะได้จบไปแล้วค่อยว่ากันใหม่ค่ะพอาจารย์หาที่อยู่ไว้ก็ไปหาที่อยู่สักอาจจะประมาณสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งเพื่อเคลียร์อะไรหลายๆอย่างแล้วก็กลับมือไทยค่ะอาจารย์พระอาจารยก็จะหาที่มหมอเกินเนี่ยค่ะพระอาจารย์เริ่มใหม่ก็ <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะไปปักอยู่ตรงไหนดีแต่ค ง, คงอยู่ อ, อยู่ที่กรุงเทพก่อนค่ะจะค่อยว่ากัน นี่ไม่พ้นความทุกขนะนี่ไม่พ้นนะค่ะพระอาจารย์ค่อยว่ากันค่ะนะบ้าน <Okay. S 1> ก็ทุกซื้อบ้านกทุกค่ะพอไปเมืองไทยก็ต้องไปดูอีกว่าจะจะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จะอยู่แบบไหนบ้านเดียวนี้ไม่คอนโดดีค่ะพระอาจารย์คงบอกอยู่บอกง่ายๆบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาบอกแต่ก่อนอก็เคยมีความคิดแหมต้องไปอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่า เอออยู่แบบแหมไปอยู่ที่แบบเขาสักที่หนึ่งทะเลสักหน่อยหนึ่งตอนนี้แมวแล้วค่ะพ่ะอาจารย์มุ่งหมายเอา ง, ง่ายๆค่ะพระอาจารย์ค่ะ<ด>ค่อยว่ากันอีกทีค่ะพระอาจารย์พระอเจ้าสอนให้พระอยู่ตามคนไม่ที่ไหนมีต้นไม้ก็อยู่ตรงนั้นะลูกขมู ล, ลเราแท้นะสนั่นค่ะพระาจ<พ>ารจริงๆแล้วรู้ว่ามันต้องอยู่กับธรรมชาตินะคะดีที่สุด อาจารย์ไม่งั้นธรรมชาติก็จะงลงโทษเราอะค่ะอาจารย์ทำไมก่อนอพวกนี้ฟรีพวกป่าเขานี่ไม่มีเจ้าของแต่สมมัยนี้แทบจะหาไม่ได้มั้งเป็นเขามีเจ้าของหมดนะถ้าไม่ของเอกชนก็ของรัฐบาลนะค่ะอาจารย์โลกวันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วนะอันนี้จังอันนี้จังค่ะ เมื่อกี้ข้างคุณอาธิมินท่นนี้นะอาธินี้ค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขันธ์นะคะสาธินะเมื่อกี้ข้างคุณรักเสมอูไว้ได้ไงมองไม่เห็นขออภัยด้วยคุณคุณปุ้ยไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์นลยแต่ว่าจับนมัสการครับพอาจารย์ไม่ได้เข้าตัวสัปดาห์ที่แล้วค่ะเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาแแบว่าเข้ามาสุดท้ายเลยแต่ตอนจบเลยค่ะ อ่อไม่ทันไม่ทันที่ได้พูดค่ะแต่ฟังฟังโชกอาทิตย์ค่ะทางสองอาทิตย์เนยค่ะอืมก็ไม่มีอะไรถ้าพรษาหรืโยมก็ตัง้งจิตอธิษฐานที่ว่าจะเลิ้งพัฒนาแบบปฏิบัติทำให้มันให้มันมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปพออ่โยมจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนเช้าเช้าเนี่ยมันชอบนอนหลับแต่เวลากลางคืนมันนอนไม่หลับอ่ะ อาจารย์นอนไม่หลับมันต้องนั่งนั่งสมาธิแล้วแบบโวกมันจะทิมแล้วก็มันก็ลุกขึ้นมากระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็เดินไม่ได้เดินแล้วมันง่วงนอนนแล้วพอยมกระโดดกระโดดแล้วสวดชินบัญชรบทย่อแล้วโยมมานั่งสมาธิแล้วมันก็ดีแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งยมไม่ได้นอนเลยถึงถึงแบบเช้าเลยอ่ะเพราะว่าโยมฟังพระอ่ะ ตอนที่พระอาจารย์ไปยืนใส่บาตรอะไปเดินใส่บาตรโยมก็ทําตามโยมก็ดูตามพระอาจารย์ไปอ่ะแล้วโยมก็บอ้าวสีสองแล้วอ่ะนั่งเป็นวันที่ต่อแล้วมันรู้สึกสดชื่นแล้วแบบแต่มันแปลกตรงที่ทําไมเรามุ่งนอนตอนเช้าเรารู้สึกแปลกๆก็มันง่วงก็ น, นอนสิมันถ้ามันง่างก็ไม่ต้องนอน โยมตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะโยมจะเร่งปฏิบัติอพรรษานี้จะทําแบบให้มันแบบให้มันดีขึ้นกว่ามากกว่าเดิมเพราะว่าโยมรู้สึกมันไม่อยากจะหย่อนยานแล้วอะเพราะว่าอเวลาโยมน้อยคะ่ะพระอาจารย์มันก็ต้องมีได้าเดือน ต, ตั้งจะจะทําะไรไม่ใช่ตั้งแบบกว้างๆทํามัน ม, ม, มากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่นะมันต้องมีราย่ะโยมโยมก็ ก็แบบตอนนี้พอพอเริ่มเข้าบรรษาปุา๊บโยมก็ต้องเริ่มวางแผนแหละเร่อเกี่ยวกับกระถินอีกต้องเอากระถินที่วัดวัดไหนบ้างเ อ, องานยมก็ยุ่งอยู่แค่เนี้ยเลยค่ะอาจารย์อื่ใจก่อนเข้าบรรษาเนี่ยเขาให้ถวายอะไรเขาทําบุญอะไรยมก็ทําหมดเลยอืแล้วที่บอกจะทําอะไรเพิ่มมากขึ้นให้มีอะไรบ้างอ๋อโยมก็จะสวดมนต์ จเจริญจิตภาวนาและโยมก็ว่าทุกวันพระเนี่ยโยมจะกันเอาไว้ไม่ให้ออกไปไหนเลยวันพระตับ ว, วันโกนเพราะว่าโยมตั้งแบบว่าถือแบบถือจริงๆถือจริงๆเลยอ่ะถือศีลแปดจริงๆเล ย, เลยแบบไม่ต้องแต่งหน้าเลยอันนี้เฉพาะช่วงเข้าพรรษานี่เลยยัง้งเลยทำมาลีออก่อนนะะแล้วทีเดี๋ยวมันก็จะต้องเลยต่อไปไงพระอาจารย์ เดี๋ยวเกิดแบบว่าเกิดโยมจะโชคดีนันก็เลยตลอดไปตอโตอนนี้นายโยมโยมโยมคิดว่าทุกวันเนี้ยโยมก็ถือศีล น, นะคะถือศีลแปดและถ้าเกิดพระอาจารย์เน่ยยกเว้นเรื่องเออแต่งหน้าเพราะโยมต้องออกไปท ร, รมาหากินต้องออกไปทำเอกสาร จริงๆแล้วโยมก็ถูกศีลหมดนะเพราะทุทกๆวันเนี่ยโยมจะจดบันทึกบุญทุกวันเลยค่ะแล้วโยมก็จะดูว่าในวันนี้โยมผิดศีลอะไรโยมไม่ผิดศีล น, นะโยมไม่ผิดศีลมีมีช่อเดียวค่ะ <ไป S 1> ท่านพระอาจารย์พระอาจารย์น่ะพระหลวงปู่นั่นน่ะที่โยมไปช่วยเหลือท่านน่ะท่านเสียแล้ววะ่ะท่านเสียเ<อ> ม, มื่อวานแราวทำมือทิศแดนทำมือทิศถอยท่านไป คาะโยมโยมยมาถวายอะตอนที่ท่านป่วยแล้วทีนี้โยมก็เห็นท่านออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์ตรงกับวันที่พ่อโยมอ่ะวนตายพ่อโยมพอดีเลยอืโยมสุดยังไงก็ูกเขาถ่ายไลฟ์ไลฟ์วิดีโอมาโยมก็ดูแล้วโยมก็เออท่านจะอยู่ท่านทําไมออกว่าอาการท่านขน่ำโยมก็นึกในใจนะแต่แต่คิดว่าโยมคิดว่า อาจจะเป็นเพราะเออ่พระป่าเขาจะรู้เวลาของเขาหรือเปล่าคะพระธอาจารย์ก็ตายเหมือนกันนะจะรู้ไม่รู้ถึงเวลาก็ตายเหมือนกันเนอะอื ม, มนอ่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปไหมอย่าไาเปเชื่อยงไปเรื่องแปลกประหลาดมาอาจารย์เลยใช่เพราะว่าหลวงปู่ท่านนะอ่ะมีเมตตามสูง เป็นสายหลวงปู่มั่นมีเมตตาสูงแต่ว่าแต่วายมไม่เข้าใจหรอกภาษาที่พระอาจารย์ท่านพูดอะ่ะเพราะหลวงปู่ท่านพูดภาษาอีสานค่ ะ, ะแล้วก็หลวงปู่อีกองที่เหลืออยู่ทศสามท่านเป็นท่านเหมือนพี่น้องกันหลวงปู่ไม่ไปก่อนแล้วหลวงปูส่สีแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือหลวงปู่ ด, ดําค่ ะ, ะเราไปด้วยกันทุกคนอ่ะก่อนหังนึ่งชาเว แต่เพราะว่าว ย, ยมชอบเนี่ยพระสายกรรมฐานสายสายวัดป่าเพราะว่าท่านมีจริยวัจริยวัตรที่ดีแล้วก็แล้วก็แบบท่านท่านมีมเมตตาสูงค่ะย ม, มพระแท<ม>้ท่านเพระแ ท, ะ ท, ะทะ้ยมย ม, ยมทำตามที่พระอาจารย์สอนนะเมื่อวันจันทร์ยมทำธุระมา ทีนี้โยมก็ต้องทําสมาธิอะ่ะแต่ทีนี้โยมทําไม่ถึงสองชั่วโมงตอนเช้าโยมก็ไม่รู้จะทํำยังไงโยมก็เลยไม่เอารถไปโยมก็นั่งรถเมล์ไปแล้วโยมก็โยมก็เลยนั่งนับนับแบบโยมถ้าท่องอะ่ะท่องชินประชรจะเป็นท่องบทบทยอ่อโยมก็เลยตั้งอธิษฐานตั้งจิตว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเราจะต้องท่องให้ได้ให้ได้มากกว่าให้ให้ได้มากกว่าร้อยแปด เห็นิยมก็ท่องไปท่องท่องท่องไปจนแบบจะถึงพันจบแล้วอะ่ะพระอาจารย์แล้วคือในใจโยมเนะี่ยเห็นคือตอนท่องอะ่ะปกติโยมจะท่องนึกถึงหน้าของหลวงปู่โตแต่อยู่ๆโ ย, ย, ยมเห็นเห็นหน้าหลวงปู่มั่นแบบแม่นมากเลยมันแปลกนะก็ <S 1> <S 1> <S สักแต่ว่าเห็นไปไม่น่าไปชืนหน้าแต่มันสงบเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์พูดอะจริงค่ะ พอเวลาเราท่องท่องทองอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นพอเรามาแล้วเราไม่ต้องเจอเจอคนแล้วเราก็มานั่งสมาธิแล้วจิตเรามันจะสงบแล้วมันมันจะแบบมันมันพูดไม่ถูกพระอาจารย์มันอธิบายไม่ไม่เป็นมันมันมันเหมือนว่างๆอะไรก็รู้ว่างๆเหมือนกับเราไม่มีใส้ไม่มีปรุงอะ่ะความสงบมันเป็นอยังไงนะเวลาสงบจิตมันจะว่างกับเออไอ้ไก้นเราอะลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยเออ คือมันอาจจะเป็นจิตวุงแต่งพระอาจารย์จะโยมไม่กล้าคุยกับคนอื่นโยมก็ได้แต่คุยให้พระอาจารย์ฟังให้ดเๆไปไม่นั่งไปตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจรุ้แล้ววันก็ผ่านไปโอเคนะวันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้อีกวันหนึ่งมันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่โอเคอันนี้จารตั้งหน้าตานะอ่าพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงขอพระอาจารย์เป็นกําลังใจให้โยมแบบว่า ผ่านสามารถเข้าเข้าเข้าเข้ากรรมฐานได้ในพรรษา น, นี้ด้วยนะพระอาจารย์จําหรัจตามที่บารธนะในทุกสิ่งทุกประการเทิญสาธุค่ะพระขอให้พระอาจารย์ทัาขันแข่งแดงเจ้าค่ะโยมขอน้อมทุกบุญทุกบารมีกับพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุคุณอนนต์งเชิญอันนี้อยู่ป่าไหนอ่ะ <laughs> นอยู่จ่กกมทมค่ะคุณคน่ะว่ะาเดี๋ยวพุ่งนี้ไปวัดค่ะค่อยไปวัดไปสดไปยัไปค้างหรือเปล่าค้ ง, งค่ะค้งค้งไปค้างแล้วค่อยกลับลงมาค่ะวันเสาร์ไม่กล้ากลับปันอาทิตย์ค่ ะ, ะควรติดเพราะว่ามันเป็น long weekend นะคะอาจารย์น่าจะขับรถกลับกันเยอะอย่างเงีย้ยก็ไปก็ ฮะไปไปสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอพากัน <laughs> ปฏิบัติให้มากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ค่ะก็จริงๆค่ะแล้วก็การมีสติเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะจริงยงก็จริ ง, งจริงรู้เลยว่าสติสำคัญมากว่าบางคนเหมือนเข้าสมาธิเก่งแต่ว่าย ง, ยงไปฟังเทศมาเหมือนกันว่า บางทีถ้าไม่มีสติอะต่อให้เข้าสมาธิเก่งในชีวิตประจาวัน่ะก็จะรับมือกับเรื่องต่างๆได้ไม่ดีเท่าไหร่พอดีอี ก, ก็ก็น่าจะจริงเพราะพอดีไปเจอรู้จักคนที่เขาแบบเหมือนปฏิบัติมานานเข้าสมาธิเก่งเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอเจอเรื่องมากระทบอะโทรศัท์มาแบบเต็มที่ เ, เลยไม่มีปัญญาอย่างนี้เลยไม่มีปัญญาไม่ใช่ไม่มีสมาธิ่มีมีสติมีสมาธิแต่ไม่ไม่มีปัญญาก็เลยงงมากว่าเอา เหมือนปฏิบัติมานานแต่พอเรื่องกระทบองุดหงิดทำไมทนไมพิจารณาไม่พิจารณาตายแล้วไปก็ต้องอยางเป็นตายแล้วยังมีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่พอมันเป็นไปตามความอยา ก, ก, ยกอะไรโกรธขึ้นมาอืมมันทำมันฉันมันก็เลยต้องควบคู่มันเลยต้องดเดินปัญญาพิจารณาเดินแล้วออกจากสมาธิต้องเดินปัญญาถ้ามองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นตายแล้วแล้าอย่าไปหวังอะไรจากสิ่งตา่างๆเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอน มันไม่สำคัญเลยครับใช่ไหมมีอะไรแน่ น, นอนไหมไม่มีเลยค่ะบเดี๋ยวนั่นก็เปลี่ยนอันนี้นก็เปลี่ยนเดี๋ยวนั่นก็ดับอันนี้น ก, นนก็เกิดเนี่ยมันเปลี่ย น, ม, น ม, มันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาใช่ค่ะพอเร า, าไปหวังใหามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นเราก็เสียใจเลิดโกรธขึ้นมาใช่ค่ะจริงคนที่ ม, มีปัญญาจะทําใจให้เป็นทันโดดยินดีตามมีตามเกิดใช่แล้วมันจะสบายค่ะสบายยังไงก็ได้หนาวก็ได้น้อยก็ได้ ันตกก็ได้แต่เราก็ได้อที่ยมจะเห็นคือบางทีบางทีมันจะมีบางอารมณ์คือจริงโทสะจะไม่ค่อยมีแต่บางทีมันจะมีความไหวอยู่เหมือนกันแต่เห็นนะคะว่าอาจารย์ยงจะเห็นว่าเราเไหวกับเรื่องเนี้ยแล้วเรกแบบต้องหยุดมันให้ทันว่าไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันกร ะ, ะทบแหละบ า, บางเรื่องมันมีความรู้สึกที่กระทบใจเราแต่เราเห็นนะว่ามันกําลังจะแบบมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ต้องรีบแบบพิจารณาทิ้งมันไอ ว่าเรายังมีมีความผูกพันมีความอยากในเรื่องนั้นอยู่อ่าแต่อย่งแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอออย่้อยเราเรายังพอทันจนเราไม่ปล่อยมันไปให้เกิดอารมณ์อื่นๆเวทนาอื่นๆขึ้นมาจนจนจนหมนมองอ่ะคะ่ะน้อไม่สักแต่ว่ารู้ไปโอเมก้าไปบุทโตบุตทโตทไปโอ้ยก็ดีขเขาเลยว่าก็ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เนี่ยต้องต้องทํามาต้องปฏิบัติมัน คือถ้าไม่ปฏิบัติอ่านอย่างเดียวคือไม่รู้จะอธิบายกันอย่นก็เลยไม่อธิบายกับว่ามันก็ละโลกกันมันก็ละเรื่องกันเลยเร่องที่เราอ่านกันเรื่องที่เราปฏิบัตินี้มันบางคนแบบอ่านเยอะมากเลยพระอาจารย์แล้วก็พยายามสอนสอนสอนคนแล้วก็จนใจฟุ้งไปเลยอจนใจพุ้เลยใช่ไหมเงี้จริงค่ะแล้วก็เนี่ยไม่ต้องติดแล้วเมื่อคนติดเทคนิคอร์เทอม นคนกปฏิบัติจะไม่เขาจะไม่ค่อยชอบสอนใคร่ใจมันนิ่ง <c oughs> ใจมันสงบมันก็เบบไม่เห็นใจจะไปใช่จริว่าแตไม่เห็นใจจะสอนก่อน <c oughs> จริงโดยคนที่ชอบสอนก็นกคือแบบเป็นสายที่ชอบอ่านอ่ะอันนี้เราก็ชื่นชมในความตั้งใจในการศึกษาแต่สิ่งที่ยมสังเกตเห็นคือบางคนจะติดเทคนิคเทอร์มมากมากเลยไม่ไปปฏิบัติไม่ไปพิสูจน์แต่ส่งที่เราศึกษาว่าเป็นยังไงก่อน แค่คําว่าจิตกระจอ่ะยกขนแบบทำไมอะมันไม่เห็นจะแบบอะไรไปสาระสาคัญบางคนแบบเนี่จิตกระจายเทีนใหญ่ทียนมันว่ามันบอไปเลยใช่ภาษาที่มันก็ตัวเดียวกันมีสองชื่อเหมือนเราบางทีก็มีสองชื่อกันไม่ใช่ชื่อนี่ไงชื่อจริงเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เราเอามาเรียกเนี่ยแหละเออแล้วก็คุณบอกไม่ใช่จิตกระใจมันไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้ก็ออแล้วก็ฟังไว้เฉยๆก็เลยว่าอ๋อเนี่แหละมันก็ติดอยู่อย่างเงี้ยแหละนั <c oughs> ข้าพันศานี้ก็คงยังถือศีแลแปแหละค่ะจริงๆหลวงพี่ท่านสึกวันนี้คะ่ะลาศิกขาวันนี้ท <c oughs> ่านกาศิกขาเลยโยม <c oughs> อาละถนาทุกวันให้อยู่ข้าพันสาไม่เอาแนละ้ว <c oughs> จริงๆท่านก็ไม่ได้มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรที่จะแต่แต่ว่าเหมือนกับว่ามีงานต้องเคลียร์ท่านก็บอกมันไม่สะดวกเราครองสมณพี่จะไปทําตามงานพวกนั้นมันก็ไม่สะดวก กล่าวําลาสิกขาคุณโยมก็ไม่เคยเห็นนี่ไงี้มันยากรู้เลยร้องไห้เลยพเจริญค่ะเขามันเป็นจังหวะที่เหมือนที่บอกว่าต้องมาเป็นให้เธอว่าเราเป็นคลุหัดอะไรเนี่ยแบบมันเป็นประโยคที่โย ม, มรู้สึกว่าโอโ้โหน่าจะยากเพราะว่าน้ําตาล่วงเลยโยมเลยรู้สึกโอ้ยจะรอดไหมอืมต้ <laughs> อถามทึกวันว่าโยวคมข้าพนสาวก็ได้นะโยมยินดีอะไรยเนะค่ะ อะไรนั้นแต่ก็บอกหลวงพี่ว่าเน่จะเข้าพรรษาแล้วปกติเข้าพรรษาทุกปีก็ตั้งใจถึงสี่แปดอยู่ปีนี้ก็ขอต่อบไปก่อนละกันอะไรนั่นค่ะนั่นค่ะคนเราก็ต้องทำเท่าที่เราจะทําได้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็บวชให้ใหม่ก็ได้หลวงพร้อมก่อนเมื่อเมื่อแบบพร้อมงานไม่มีเข้าไปบวชอะไรเงี้ยท่านก็ว่า ว่าดูท่านก็สงบดรีนแล้วพี่เขาก็สงบดียนก็มองในแง่ดีก็ท่านก็บวชมาหลายเดือนนะก็ถือว่าเก่งแล้เก่เงค่ะ<ม>ก็ก็อนุโมทนาแล้วก็ชื่นชมก็บอกอ่มเพราะว่าตอนแรกถามให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องเป็นห่วงแบบมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงโยมว่าเออเรางั้นท่านไปบวชนานอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยก็ยินดีสงบก็ต้องเชร์กับคนที่เขาอยู่ในเวทีไม่เหมือนกันนะกั<ม>นเ็ชมม่องวยนี่มัน มีคนเชียร์แต่คนเชียร์ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนอ ย, อยู่บนเวทีครับแต่ประเด็นคือคุณแม่กัวจจะคิดว่าสีกาไปสึกพระเีถอะไม่เกี่ยวจะเส็กไม่ไ ม, ไม่ใครไปทําให้ท่านศึกได้ท่านจะสึกไม่เสึกคำถามแรไเลยนี่เป็นข้อสีกาจะบอกไม่ใช่หรือท่านโยมอรัตน์เป็นอยู่ขวาน <laughs> ได้แต่ว่าใช่คพอถึงเวลาก็ไม่ดี ท, <ป>ที่กิเลนนิธทําของท่า น, นอยู่ได้ก็ทํา ต้อเสกพระกินเอืงแล้วก็ดีค่ะก็ยังนม่งโมทนากับท่านก็บอกตื่นชมเพราะว่าบวชได้ถึงหลายเดือนจริงๆค่ะอืมนี่แต่้าพนัภศษาก็คงบากว่าน่าทึ่งแปลต่ออ่ะค่ะนักศึกแล้วก็คิดว่าจะลองตั้งตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติให้ท้าทายขึ้นอีกสักนิดหนึ่งอย่างสามชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าจะลองดูค่ะอ่านี่ อืมเพราะว่ามันทีก็ต้องขยับเป้าให้มันมันนั้นนั่นอืมต่คนไทยมันสูงไปเลยนาให้มากเกินมันจะได้ขยับแนวหน้านด้อืมค่ะแล้วก็ถืออืมเพราะว่าเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสมามีเป้าหมายพิเศษเรียนรู้จากภาษารยเนี่ยก็เล่นสุกอา้า้าพรรษาสามเดือนก็ลองดูแล้วมันก็จะได้ยยาวมันก็อาจจะทําไปได้ก็เราเอาเอาแบบโอกาสตรงเนี้ยมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งอืมอ่ก็มีสาธ<ๆ>ุ พยายามมีในความสำเร็จขนีดนั้นนะะหะฉันรักษาทาตขันนะคะโอเคสาธุคุณโอโอหายไปหลายหลายวันหลายเดือนแนะ้ยังไม่เปิดเลย ไ, ไม่เปิด การรำวส้าค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงไหมเจ้าคะอ่าชัดเจนเลยไม่ได้เข้านะจะลืมุรมกดแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ไหนไม่ทำอะไรบ้างางแจ้งอยู่เจ้าคะะอาจารย์ปฏิบัติมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังค่ะไปทางโลกบ้างเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ทิ้งทางธรรมนะเจ้าค่ะพอาจารย์นะคะก็ดีอาสจยได้ไม่เลยทาเท่าที่เคยทาใช่ไห ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์มั<อ>นย่อหย่อนเลยเค่ะพระอาจารย์แล้วหนูว่ามีเรื่องสรารภาพกับท่าพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะก็คือตอนนั้นที่รับปากท้าพระอาจารย์ว่าจะลองทานอาหารวันเว้นวันใช่ไหมเจ้าค่ะที่หนูลองยี่สิบครั้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวันเว้นวันหนูลองปฏิบัติดูเคลือนเวรเจ้าค่ะพระอาจารย์ประมาณหนึ่งพฤษภาถึงสิบห้าพฤษภาวันเว้นวันวันเว้นวันเจ้ค่ะแล้วน<อ>ี้รู้ว่า กำลังไม่ถึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยพักไปเจ้จาค่ะตอนนี้จะพิจาจรณาไว้เจ้าค่ะพระอาจารย์เนี่ยแต่เดี๋ยวเราตั้งไว้ยังไงนะคะเพราะว่ากลับเรียนพระอาจารย์ตอนนั้นได้ว่าจะลองมาปฏิบัติ ด, ดูอะไรอย่างนี้ค่ะพอกำลังไม่ถึงก็เลยพักไปอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้กําหนดเดือนก็เวลาก็ไม่เป็นไร<า>ทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็หยุดแต่ถ้ากาหนดก็จะจะทําเดือนหนึ่งแล้วทําแค่ครึ่งเดือนนี้ก็ถือว่าเสียสละ <laughs> ตอนนั้นตอนนั้นจำได้ว่าจะไม่ไม่ได้กําหนดจ้ะคะาค่ะอาจารย์ว่ากี่วันอะไรย่าเงี้ยจ้าค่ะแต่ถ้นลองดูงเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่เวลาก็ลองใหม่ได้ไม่กล้ารับฝ่ายจ้าค่ะอาจารย์เดี๋ยว เ, เดี๋ยวลองไม่ได้เดี๋ยวมันยากเดี๋ยวกําลังเดี๋ยวกําลังไม่ถึงจ้นน <laughs> าค่ะอาจารย์เรื่องนี้รู้สึกมันยากนะเรื่องกินเนี้อาชญ์หนูติดเรื่องนี้เจ้าค่ะอาจารย์พ่มีมีไปสองมือมาด้วยจ้าค่ะเพื่อนชื่อจะดูให้แน่ใจว่า สุดแล้วสองมื้อหนึ่งมื้อเนี่ยคืออย่างไหนก็แน่เลยเนี่ยเจ้าค่ะพอาจารย์เรื่องอะไย่างไใจแต่ว่ายังไงเข้าภาษาเนี่ก็ต้องหนึ่งมื้อให้ได้เลยเนี้ยเจ้าค่ะพอาจารย์นะคพระอาจารย์จะข้หนูรบกวนถามนิดนึงเจ้าค่ะก็คืออ่การอ่านเนี่ยเจ้าค่ะอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าอ่านบทสวดมนตหรือว่าการอ่านธรรมะเนี่ยเป็นการเจริญสติไปในตัวด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะนั้งสติทั้งปัญญาเนึ่ยถ้าเราเข้าใจความหมายที่เราอ่านนะคะ เพราะว่าอ่างทีหนโอูอ่านไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเราอยากผิดอ่านแล้วก็มานั่งนั่นิ่งๆอย่างนี้เจ้าค่ะอาจาออรย์ใช่เมื่อกั้เราได้ทําสมาธิเป็ น, นตัวออืเจ้าค่ะใช้วิธีนี้ก็ได้ใช่ไมเจ้าค่ะอาจารย์หรือว่าใช้สิ่งทําก็เป็นแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดก็เป็นวิธี<ม>ที่ช่วยช่วยทําให้เราสามารถมีสติมี มีสมาธิได้ในระดับหนึ่งแต่นั้นที่สุดก็ต้องกลับมานั่งหลับตาดูลมาหายใจเข้าออกในผู้องพุโทโธ อ, อันนั้นมันถึงจะพายแล้วเข้าสู่ความลิกความสงบได้เต็มที่นันกเคือธรรมะมันก็ช่วยประคับประกองให้สติเองไม่ไม่ตายกระจายเลยให้มันอยู่กับที่ออืจกจ็กนั่งอ่านเสร็จแล้วก็ควรจหยุดอ่านแล้วก็มานั่งสมาธิต่อได้จะค ไม่อนกับการสวดมนต์วนมนต์ไม่ลงหน้าก่อนสวดเสร็จแล้วมานั่งสมาธิต่อก็ได้เปมีการปลอมใจไว้ก่อนปลอมให้มันหายฟุ้งซ่านก่อนแล้วหายฟุ้งซ่านแล้วก็มานั่งดูลงแล้วพุทโธต่อแล้วมันจะรวมเป็นสมาธิได้อย่างเต็มที่อย่างการสวดมนต์นะเจ้าค่ะอาจารย์เราควรจะสวดบทสวดที่เราอยากสวดจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะ เพียงจะจิแล้วถึงจะจดจ่ออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็จะเป็นว่าต้องเป็นธร้งวาเช้าทั้งว่าเย็นแต่เอาบทที่เราอยากสวดจริงๆใช่ไ่มัไมะเป็นบัไหนก็ได้อก็ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามาเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคดีใจที่ยังได้เห็นหน้าเห็นตาอยู่เพราะว่าผงไม่หายหายไปนานไม่หายเจ้าค่ะพระอาจารย์โยตะเลิกไปไกลไปนี้เจ้าค่ะยัง หนูยังต้องต่ออยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ยังเป็นเด็กขาดยนืนอยู่เจ้าค่ะยังรู้คุปตาอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าสาธุอ่าขอบคุณเจ้าค่ะสาธุครัอาจารย์นะคะท่านผ่านนะเจาา้าค่ะสาธุ ส, ธสนทนยังไม่ได้ออกเดินทางนะยังค่ะพระอาจารย์ของหนูอีกสองอาทิตย์ไปถึงเ <nica S 1> มืองไทยอีกส อ, อาทิตย์นะว่าปลายเดือนนะแต่ว่าจิ๊บไปก่อนนะคะจิ๊บไปค่ะจิ๊บเดินทางวันจันทร์ที่จะถึงนี้ลค่ะพระอาจารย์อ๋อจิ๊บเหรอจิ๊บไป ยังอันนี้ทราบว่เข้าเข้ า, ข า, ขาหรือเปล่านะคะหนูไม่ได้คุยกับจิ๊บมาหลายวันเอาะค่ะยังไม่เห็นภาเลยอ่าค่ะถ้าไม่ได้เข้าก็กลับกลับพระอาจารย์แทนเพื่อนนะคะก็ก็ไปนัดไปเจอกันพบกันกลับที่พระอาจารย์นะคะอาทิตย์ช่วงที่หนูไปปฏิบัติธรรมอะคะ่ะอืธิษฐ์ที่ผ่านมาหนูก็พิจารณามรณนานุสติอะไรอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเญาติาของหนูอะคะ่ะเสียสองคนไล่เลี่ย ก, กันนะคะ คนนึงสิเผาเสร็จอีกคนเสียตอบกันแล้วก็มาเผาจึงเห็นถึงความไม่มีอยู่จริงของแม้กระทั่งตัวเรามันก็ไม่มีอยู่จริงใช่ไม่มีตัวไม่ของชั่อขา่าวใช่ค่ะก่อนที่เราจะมาเราก็ไม่มีตัวตนแล้วเราก็มามีตัวตนอยู่พักหนึ่งแล้วเราก็จากไปแล้วพอเราจากไปเราก็ไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ความจำเหลือแต่ข้าวของเป็น มันพิจารณาแล้วมันไม่มีอะไรอยู่เลยค่ะพระอาจารย์อืาพรมีร่างกายแล้วขอทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้เนี่ยใช่ค่ะแม้ว่าเขาจะทําประกันชีวิตต่างๆตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ใน process สองกันแต่มันก็ไม่ใช่ของเขาแล้วเขาก็เอาอะไรไปไม่ได้ตอนที่เขาเอาไปได้แค่บุญแค่บาปอืใช่ค่ะมันเหลือแต่ความทรงจำอะค่ะพระอาจารย์เหลือแต่ความสรงจำว่าบุคคลคนหนึ่งเคยมีตัวตนแล้วเขาจากไปแล้ว มันมันมันกลายเป็นว่าเอ้มันใช่หรือไม่ใช่มันจริงหรือไม่จริงอย่างนี้ค่ะแค่มันฟองน้ำไงมันฟองน้าค่ะแล้วก็พอม่างกายพวเราเหมือนฟองน้าเดี๋ยวมันก็แตกายไปค่ะแล้วเราก็พิจารณาเข้ามาดูที่ตัวเองว่าเราก็ไม่ได้ต่างจากเขาเท่าไหร่เราก็หลงอยู่ในสมมุติหลงอยู่ในความยึดมั่นหลงอยู่กับกิจการงานการที่ต้องทำแต่มันก็ต้องทำหลงยึดว่ามันเป็นของจริง มันก็พิจารณาทำเพื่อเลี้ยงชีพพอพออย่าไปทำเพื่อล่ำรวยค่ะพรอาจารย์แต่เศรษฐกิจสมัยนี้มันไม่น่าจะแล้วก็ภาษาอาชีพยากแล้วก็ภาษาหนูก็อยากทำเพื่อหาเงินมาไปเที่ยวไปกินไปเหนื่อยอย่างนี้ไม่ค่ะทำเพื่อเพือ่อลูกด้วยอะค่ะทำเพื่อเล่าเรียนอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ทำตัวเราทำเพื่อรักษาฐฐชีวิตให้อยู่ไปได้วันๆหนึ่งค่ะพรอาจารย์ค่ะ แล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะอะค่ะมองทุกอย่าง อ, อย่างที่ว่าว่ามันคืออนิจจังทุกขังอนาัตตามันไม่มีอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นฟองน้ำหมดนะค่ะแล้วเหมือนกับเราพอเราได้ไปอ่านพระสูตรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันลึกลงเรื่อยๆอะค่ะความยิ่งมาฟังคําสอนอพระอาจารย์รู้สึกว่าไอสิ่งที่เรารู้นี่มันหยาบมันมันต้องดูลงไปอีกแล้วมันก็ต้องดูลงไปอีกลึกๆเรื่อยๆเรื่อย ๆ, เ, อยๆเยอะมากๆค่ะ อ่อาก็อย่าลืมอย่าลืมนั่งสมาธิสลับกันนะท่านดูว่างๆเนี่ยมันก็เกิดการการฟุ้นสร้างขึ้นมาได้ค่ะนั่งนั่งค่ะพระอาจารย์ น, นั่งสลับกันฮอดูสักพักรู้สึกว่ามันจะเริ่มฟุ้งก็หยุดดูแล้วก็กลับมาทํำใจให้สงบสลับกันไปค่ะพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติตามคําสอนพระอาจารย์นะคะต้องขอบพระคุณพอาจารย์มากๆที่คอยหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีอะค่ะาพระอาจารย์ที่หนูได้ได้เรียนรู้ธรรมะ เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะไม่เคยคือสนใจธรรมะมาตลอดตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถปฏิบัติได้ลงมันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะอืรู้สึกโชคดีมากๆค่ะพระอาจารย์อืค่ะคำถ า, าต่อไปค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องนึงต้องขออนุ ญ, ญาตต้องอาจจะรบกวนคุณหลานนิดนึงนะคะว่าเอะจะขอเบอร์ติดต่อของคุณสาธกาค่ะจะรบกวนสอบ การเดินทางไปที่วาตะคะ่ะเห็นว่าพี่เขาจะเดินทางไปอาทิตย์หน้าค่ะยังไงก็อาจจะถ้าทางคุณหนก็ได้คุณหาแกก็เคยไปอยู่อ๋อเออใช่ค่ะแต่คุณหลาขับรถไปแนตะ่หนูไม่หนูไม่ได้ขับรถหนูจะโ<ต>ดนสอบถามนิดนึงอะคะ่ะไปกรบไงน้องชายก็ไปกรบค่ะหนูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะว่าต้องทํำ <ๆ S 2> ยังไงก็เลยจะสอบถามว่าทําต้องทำอย่างไรยังไงอย่างเงี้ย ค, ค่ะค่ะเดี๋ยวอาจจะไปถามพี่ชายด้วยอะคะ่ะต้องกลับขอบ มากเลยนะคะในคําสั่งสอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพบพระอาจารย์เร็วๆนี้นะคะขอ บ, ขอบคุณมากสาธูเจาา้าพระาหมายอที่คุณตายต่อคุณตายพัทยาปิดร้านแล้วเหรอมองกลับนมัสการคะ่ะพระอาจารย์ปิดร้านแล้วคะ่ะวันนี้เข้าช้านิดนึงค่ะเพราะว่าโม่จะไปต้อนรับเพื่อนที่เขามาช่วยช่วยที่ร้านนะคะช่วยโปรโมทร้าน ก็เลยไปต้อนรับเขานิดหนึ่งแล้วก็เลย<ม>ขับรถกลับเข้าช้านิดหนึ่งแต่โชคดีค่ะได้เข้าธรรมาดาค่ะปิดร้านกี่โมงามาปิดร้านหกโมงค่ะแต่<อ>กว่าจะค่ ะ, ะก็ตอนนี้ไม่ค่ะมันก็ไม่มีอะไรเคียร์แต่ว่ารถมันติดโยมก็เลยปิดไฟนั่งสมาธิอยู่ในร้านอีกรอให้มันสักทุ่มหนึ่งเีอะค่ะ<อ>แล้วก็ค่อยขับรถกลับบ้านรถ ม, มันจะน้อยหน่อย ก็ได้ได้ได้โอกาสนะคะพระอาจารย์เช้าก็ไปเช้านิดนึงแล้วก็มีเวลาเหลือก็นั่งสมาธิก่อนเปิดร้านเสร็จแล้วตอนเย็นก็ถ้ายังไม่อยากกลับก็คือปิดไฟปิดทุกอย่างในร้านแล้วก็นั่งสมาธิก็ถือว่าดีค่ะพระอาจารย์ได้ได้ทําค่ะก็พยายามจะทําทุกวันค่ะ เวลาเวลาจะเลิกนั่ง้ายแล้วเลอกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกครั้งไปด้วยนะเจะาค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะแล้วก็โยมมีความในใจนิดหนึ่งอะคะ่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไงใจโยมมันนึกรู้สึกว่าทำผิดกับพ่อแม่หรือเปล่าคือมันคิดวนไปอยู่อย่างงั้นนะคะพระอาจารย์ก็คือช่วงวันอาทิตย์โยมหยุดแค่วันเดียวใช่ไหมคะ แต่อ่าที่บ้านเขาจะไปทานข้าวกันพร้อมหน้าครอบครัวอย่างเงี้ยมีโยมโยมกับแฟ น, นแะก็ขอแยกออกมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์โยมกม็แยกออกมามาวัดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่รู้โยมในใจโยมก็รู้สึกเอ๊ะเราไม่ไปทานข้าวกับท่านเราจะทำให้นางเสียใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ถามนมันดูเลยถามนั่นดูตรงๆนะหนูว่าในบรื่องมันเป็นยังไง โอเคไหมบางทีเขาอาจจะไม่คิดอะไรเขาอาจจะเขารบในความความที่เราต้องการจะไปวาดก็ได้อาจาจะ อ, าอนุโมทนาก็ได้ของบางอย่างถามได้ก็ถามดูสินะคะแต่ว่าออืะเราจะได้สบายใจนะ่าจะสบายใจท่านก็บอกว่า mm hmm. ถ้ามาได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มาได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เลือกได้บางทีก็มาบ้างไม่มาบ้างก็ได้หลับกันไป mm hmm. อ่าเดี๋ยวไว้ลองถามดูราะว่าช่วงสองสามอาทิตย์เนี่ยมันความคิดนี้นมันวนวนอยู่ในใจจนโอ๊ยเราทําผิดหรือเปล่าทําผิดกับภาะที่บ้านหรือเปล่าไม่ค่อยได้ออกมาเลยคือไม่ผิดอะไรเป็นแต่ว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเรื่องของกิจกรรมร่วมกันนั่นเองไม่ทําก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมใดอย่างใดแล้วเห็นแต่ว่ามันก็อาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความสามัคคีกันอะไร แต่ก็ยังทําอาหารส่งท่านทุกเช้าล่คะค่ะผอาจารย์เชา้ามาเราทานอะไรท่านก็ได้ทานอนั้นเหมือนกันก็บ้านจะอยู่ติดกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็<ม>ส่งทุกวนันแต่ว่าโอกาสที่จะคุยตอนหลังๆนี้ยิ่งเปิดร้านยิ่งไม่ค่อยมีเวลาไปหาแทบจะเช้ามายมก็ออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงก็โทรไปหาทักท่าวาทีก็ได้คุยกันทักท่าวาทีพ่สบาดีจ้าอื เใช้โทาศัพท์ง่ายดีไม่ต้องเสียเวลามากเดี๋ยวเขาจะบอกว่าโอ้ยบ้านอยู่ใกล้กันไม่ถึงสิบเก้าก็ไม่เวลามันจะไม่สะดวกไงอ๋อค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารที่ดีทําไมเราไม่ใช้มันเกิดประโยชน์ใช่ไหมค่ะบางทีเขาได้ยินได้คุยกับเราเพียงสองสามนาทีเขาก็มีความสุขแล้วเขา ว่าเราไม่ลืมเข้าอะไรครับเราเ น, นี้ยขอขอบวอบคุณที่อาจารย์ชี้ทางออกนะจะได้สบายใจบางทีก็เส้นผมบางภูเขาก็คิดไม่ออกว่าเราจะทํายังไงว่าให้เขาสบายใจแล้วก็เราก็เองอก็จะได้สบายใจขอบขอบคุณอาจารย์อธิบายกันฟังว่าพอจะเป็นช่วงที่ต้องไปฟังเทศฟังตามไปปฏิบัติธรรมนี่ค่ะค่ะอาจารย์ ขอให้พระอาจารย์่านผ่านแข็งแรงนะคะค่ขอสุขสันอบวันคล้ายวันเฉลิพะเกีคุณยอยิงต่อเชียงใหม่เป็นยังไงชอบแมวมากนะครับตอนนี้เป็นน้องต่อค่ะอือหน้าตาบึง้งหน้าบึง้งใช่มันดุจค<ถา>้ค่ะเลยค่ะอืมกัดไหมอืมไม่กัดแล้วคะ่ะเขาใกล้เสียแล้วคะ่ะ เดีย๋ย อ, อายุมากเลยค่ะอายุมากเลยย้ายย้ายบ้านด้วยกันมาหลายบ้านเจ้าค่ะอืมจะบอกพระจานทร์ว่าวันที่สิบเอ็ดสิบสองจะไปกราบพระจานทร์ไปนากุติเจ้าค่ะอ่าดีเจค่ะอาจันท์แข็งแรงนะเจ้าค่ะดีใจจะได้พบพระจานทร์อีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะอมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะโลกล้นลวนค่ะไม่ไม่ได้ปฏิบัติเลยขออภัยทุกท่านค่ะ <laughs> ดีอย่างน้นอยก็ได้รู้กันไม่เอาแม่มานมัสการเจ้าค่ะอาจารย์คุณอาภิสิทษิ์สกลนครมาธรรมสุขการพระอาจครับไม่มีกกคำถาม ค, ค, ครับอาจารย์สบายดีนะส บ, บายดีอยู่ครับอาจารย์ ค, ครับโอเคครับยังปฏิบัติทำอยู่ ทำอยู่ทุกวันครับอาจารย์ไม่ได้ขาดครับผมอืมดีถฉลียวบ้างไหมเฉลีกวบ้างครับก็อืมก็ก็มันก็ค่อ ย, ค, อยค่อยขยับนั่นแหละครับพอลุกพอคาคำทางไปได้อยู่ครับอืมแต่ใช้เวลานานนิดนึงอะไรอย่างไม่ใปเวลานานเท่าไหร่ไม่เป็นไ ร, นไนไรขอให้ทำไปก็แล้วกันนะครับครับไปขอบคุณไปทไ่ที่คุณฟางมาเมื่อไหร่ กั บ, บนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ไปพาน้องๆที่ออฟฟิศไปทําบุญที่ขอพระครูที่ศรีราชาเจ้าค่ะแล้วก็อพอถวายเทียนพรรษาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดินไปพอดีเดินได้จังหวะไปเดินเจอห้องเล็กๆห้องหนึ่ ง, องอเล็กเท่าห้องน้ําเลยค่ะเป็นอาคารที่หม่อมราชวงศ์หม่อมมรวศม า, มาสร ะ, ะค่ะที่เป็นอ่าที่เป็น อ, อง์สุดท้ายของรอห้าสร้างไว้ค่ะก็เลยไปนั่งเข้าไปเข้าไปในไปในอาคารเล็กๆนั่นนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิในสักพักหนึ่งเด็กๆ เ, เขาก็แยกกันไปเหมือนไปไปถ่ายรูปบิวอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดค่ะอิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะปฏิบัติบูชาพราะจานทร์เจ้าคะ่ okay. ะโอเคสาธุ น้องเองิงตาน้องเองิน ก, กาอนวัสกรรมค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรัหมก็ อ, อ, อ, อวันนี้มีคำถามค่ะเ อ, อแต่ต้องบอกกับพระอาจารย์ก่อนว่าตอนนี้แบบว่าปฏิบัติไปค่ะแล้วก็เ อ, อิง เ, ออเดินจงกร ม, มนะคะก็จะนั่งสมาธิว่างถ้านั่งนานที่สุดคือหน้ากุฏิกับพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ แต่พอเราได้เดินจงกรมเรื่อยๆอะค่ะมันมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเอองไม่ได้ตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะแต่ก็คือเห็นความคิดแล้วความคิดมันดับค่ะก็คืออันเนี้ยเป็นจุดที่เอองรู้สึกว่าอสิ่งที่เราอยู่กับเรามาตั้งนานเนะะี่ยค่ะที่เราไม่เคยเห็นว่ามันดับเลยอะมันดับได้แต่ทีเนี้ยค่ะเอ่อมันก็เลยส่งผลให้ตอนเนี้ยเอองรู้สึกว่าเอองเหมือนมีความ แตะลึกถึงว่าแบบทุกอย่างมันก็ต้องดับเหมือนกันแบบด้วยจริงๆอะค่ะแม้กระทั่งแบบการซูมกับพระจาจาร์ก็ตามวันนึงมันก็ต้องดับหรือว่าตัวเอิเอเองเองก็เหมือนกันที่ต้องดับค่ะแล้วทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าเออตอนนี้เอิงยังเรียนไกด์อยู่ใช่ไหมคะแล้วพอเอิงเลิกเรียนเสร็จอะค่ะมันก็มีทางเลือกว่าเอิงจะต้องกลับไปทำงานแต่เอิงก็สามารถแวะวัดได้ ใจเอิก็เลยรู้สึกว่างานก็สำคัญตอนนั้นน่ะนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเราถ้าเอิงตายล่ะเอิงไปวัดดีกว่าไปสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอิงก็รู้สึกว่าตัวเองมีกำลังใจที่วันหนึ่งได้เห็นตัวเองแบบนี้คะ่ะแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่รู้สึกว่าไม่สามารถชล่าใจได้ต่อให้เห็นความคิดดำ ก, ก็คือว่าเอิงยังมีบางเรื่องที่รู้สึกว่า ได้ยินไหยคะตอนนี้ได้นไนมคะ ม, มันดับบ้างไม่ดับบ้างต อ, ตอนนี้ได้ยินนะแล้วเพราแต่เข้าใจใช่ไหมคะถือว่ามันขาดขาดหายหายไปทีนี้ค่ะมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นก็คือว่าทำไมเอิงถึงมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องอะคะ่ะเพราะว่า สมมติถเอิงรู้สึกจริงๆเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างมันดับอ ะ, บะเองต้องหยุดอยากแล้วสิคะ่ะแต่บางอย่างเช่นทำไมเอิงถึงอยากกินอาหารมากๆอยู่มันไม่ใชมันไม่ใช่วิธีดูการดับอย่างเดียวมันต้องดูวิธดีดูวิธีตรงข้ามกับสิ่งความอยากความอยากเราเห็นอาหารเป็นของน่ากินถ้าเราไม่อยากจะกินแล้วก็เรามองอาหารที่ไม่น่ากิน อดูอาหารที่มันเอามาจากร่างกายเราเนี่ยต่อย่างนี้แปลว่าสมาธิเอิงไม่ดไมีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสมาธิเรื่องของปัญญาต้องดูปฏิกูลของอาหารมันถึงจะไม่อยากกินโอเคต่อให้เหมือนเอิงจะเคยเห็นว่าโอเคทุกอย่างมันดับได้นะแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยเอิงไม่มีปัญญาใช่ที่ก็ดับเหมือนกันเนีมันเปลี่ยนจากอาหารที่อยู่ในจานมาเป็นอาหารอยู่ในช่วงเนี่อ่าค่ะอืมค่ะ อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญาครับที่ดับมันก็เป็นปัญญาเหมือนเห็นมันดับก็เป็นปัญญาที่เห็นความคิดดับนีนก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเห็นอนิจจังเห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารก็เป็นอนิจจังเหมือนกันอาหารจากจานมากลายเป็นอาหารในโถส้วมเนี่ยมันก็เป็นอาหารอย่างเดียวกันเนี้ยเป็นอาหารเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนสภาพไป อาหารที่น่ากินก็ดับไปอาหารที่ไม่น่ากินก็โผลกก่ขึ้นมาแทนที่แต่แต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ทันนะคะเขาไม่ได้ฝึกไว้ก่อนไงต้องซ้อมไว้ก่อนไงออ<า>เราไม่ได้เรียนวิชานี้เราต้องมาเรียนแล้วก็มาทับกันบ้านอย่างบ่อยๆเรไปเวลาเจอข้อสอบก็หยุดมันได้เรอยากจะกินปั๊บคิดถึงอาหารในจานก็ไปคิดถึงอาหารในส่วมต่อเดี๋ยวไม่ต้องเรามาเอาเอา ท, ที่ที่ส่วมใช่ไหมอาหารก็ต้องไปจบที่ส้วมทั้งนั้น อ, อาหารที่เรากินจะไปที่ไหนลนะ่ะ ผ้าอาจารย์แล้ว อ, อย่างเช่นแบบเอ่อเอ่ออย่างเช่นแบบเอองไม่ได้ทํางานแล้วอะนะคะแต่พอมันเหมือนมีโอกาสได้มีงานเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนใจเอองก็รู้สึกว่าเออลองทํานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเอองรู้สึกว่าจริจริงเอองก็ความอยากเอองยังไม่หมดอะ่ะใช่มันต้องใช่เหตุผลเป็นเป็นการตัดสินใจจําเป็นหรือไม่แล้วถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องทําก็อย่าไปทํามัน ถ้าเราเงานขาดไม่พอกินนี่ก็ต้องทํางินทำเฉพาะกิจไปทำเพื่อเลี้ยงชีพไปแต่ถ้าทําเพื่อทําเพื่อ เ, เพื่ อ, เ พ, อเพื่อว่าดีกับอยู่ให้เฉยเบื่อแล้วนั่งสมาธิบ่อยเบื่อได้ไม่ทํางานเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิเลสค่ะเพราะว่ามันก็เลยทําให้เอองรู้ว่าแบบต่อให้เอองจะตัดหลายอย่างในชีวิตมากเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอมีแฟนหนึ่งก็ไม่มีหรือว่าทํางานก็หลดไม่ได้ทํางานประจําแล้วหรือว่า หรือว่าช้อปปิ้งหรือว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ยังมีความละเอียดของกิเลสอยู่ที่มันยังไม่อ่ามันก็ตัดไปเรื่อยๆไงตัดไปเรื่อยๆอันไหนที่ยังไม่ได้ตัดก็ต้องหาวิธีตัดมันไปเราไม่ได้ตัดทีเดียวป้อมมันจะหมดไปทุกเรื่องเนี่ยค่อยๆตัดไปตัดลาบตัดยศตัดสรเสินตัดความสุขทางตาหูจบอกนิ่วไก่ ค่ะวันนี้เองก็เลยแบบอันที่เอิงก็แบบอิจฉาพระค่ะที่มีแค่แปดอย่างแล้วเอิงก็นั่งริส์ว่าแบบในชีวิตเอิงที่เอิงใช้เนี่ยแค่ในห้อง น, น้ำอย่างเดียวอะค่ะยี่สิบสามสิบอย่างอะอ่าทำไมต้องใช้เยอะแยะสบู่ก้อนเดียวก็พอาพระอาจารย์ดิไม่ไม่ไม่มีสบู่ก็ใช้ได้มีน้ำอย่างเดียวก็พอทำไมพิธการมีสบู่ยังไงไม่มีสบู่ค่ะตอนนี้ยี่สิบอย่างค่ะพระอาจารย์ ทิชชู่สำลีคารเทนบัตทีท่โฟมลังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออเราสึกแบบแล้ววันหนึ่งจะมีแปดอย่างได้ <laughs> อยังไงผ้าผ้าจานก็<อ>มาอยู่กับผ้าจา่าใกล้ๆผ้าจานย์่ที่คำอยู่ที่คาพยายามอะแล้วตัดแไป น, นี่จําเป็นไหมไม่จำ เ, เ, เป็นทิ้งไปนี่จําเป็นไหมไม่จำเป็นทิ้งไปค่ะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆใช้เหตุใช้ผลทําตัวเอง ค่ะก็ก็คิดว่าก็พอมีพระอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรในในชีวิตนะคะก็รู้สึกว่าโอเคมีพระอาจารย์เป็นแบบอย่างและเป็นกําลังใจค่ะวันนี้ก็มารายงานประมาณนี้ค่ ะ, ะพระอาจารย์ อ, อันนั้นที่ยังตัดไม่ได้ก็พยายามพิจารณาให้เห็นเป็นตายรักไปแล้วมันก็จะตัดได้ไปเรื่อย้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคไปได้คุณหมอตาคุณหมอสุทธาเี คุณหมอไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามเจา้จาค่ะสบายไม่มีปัญหากับอะไรไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ตอนนี้ยังสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เจา้าค่ะไม่ทูกกับอะไรนะไม่ถูกเจาก้าค่ะอ่าดีโอเคพยายามคิดถึงทำการบ้างเพื่อในสิ่งที่มันยังไม่เกิดเจา้าค่ะ เช่นความแก่ความเจ็บความตายการท่ากจากกันนี้อันนี้ยังไม่เกิดแล้วทำกานบ้านมาก่อนถ้าเกิดเราต้องจากคนนี้ไปคนนั้นก็ต้องจากเราไปเราจะรู้สึกยังไงเพราะวันนี้ก็มียองคนก็บอกว่าเขสอบตกเขาก็คิดถึงการจากไปของคนที่เขาร่างนี้เขาทําใจไม่ได้ว่าเขไม่ได้ทารบ้านนะเขาไม่ทําทการบ้านมาไว้ก่อนน้อนําคําสั่งสอนท่านอาจารย์ไปครับ ปฏิบัติเจ้าค่ะอย่าอย่าประมาทพยายามนึกถึงทสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นของมันต้องมีการจักกันไม่ใช่ก็เล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณค่ะใช่าคุณจอยอจอยนี่มีปัญหารอบตัวทุกวันเลยมีคู่คู่ต่อสู้ทุกวันเลยะใช่ค่ะพ่อพ่อพ่อพ่อหนู ทำไมไม่ยอม อ, อ, มม ย, อมยุดเย็นทำไมไม่ยอมหยุดเย็นทันทีคือยอมแต่ว่าบางครั้งเขาไม่มีเหตุผลเกิดขึ้นอ่าเนีย่ยอธิษฐานว่าไม่ยอม น, นี่ใช่รู้สึกว่าทำไมสิ่งดีๆไม่เอามาเข้าหัวทำไมต้องก็อง อ, องเขาเขาจะดีช่วยก็เรื่องของเขาเรายอมให้เราเย็นไม่ดีกว่าเลยดีจะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้แต่ก็แต่ก็บำลงจากความเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือแบบงัดตลอดแต่นี้ก็บำลงมาง แต่ว่ า, าพรุ่งนี้หนูเข้าวันแล้วนะคะพระเจ้าคะหนูหนูสอบถามว่าในระหว่างวันอ่ะหนูภาวนาพุาพโทโธอย่างเดียวหรือว่าอ่านสือด้วยหรือว่านั่งสมาธิด้วยทำทุกอย่างได้เท่ากันได้แล้วแต่เราแล้วส่วนบนอันนี้ด้วยดี ไ, ได้ก็ แ, แต่เราเราชอบแบบไหนก็ทําไปาแต่แต่อยไปทางอย่าไปทางรูปเสียงกลิ่นรักล้วันอย่าไปเปิดยูทูบอย่าไปฟังเพลงอะไรทำนองนี้ไม่ไม่ให้ให้อยู่กับธรรมะไป ส่วนบนบ้างก็ได้เงินจำนวนบ้างก็ได้นั่งทวารที่บ้างก็ได้พิจารณาตายรักบ้างก็ได้อาการทันทีสองอะไรอก็คือทําทุกอย่างบวนๆในในที่เราอยู่ในกฎนั่นใช่ไหมในกฎตีนะค่ ะ, ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเข้าแต่ว่าก่อนเข้าหนูจะไปฟังเทศภาจานท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยอค่อยเลยเข้าไปไปกีวันหนูเข้าวันนี้พรุ่งนี้วันแรกแล้วก็กลับไถึงสิบสองสิบสามกลับค่ะอ่าก็หลายวันนกัน ข้างสามคืนนะ่ะใช่สิบสิบเอ็ดสิบสองขางสามแล้วก็สิบสามสิบสามออกเพราะว่าหนูหนจองไว้ให้นะแล้วก็ม <Okay. S 2> ันจะมันจะเด็กก็ต้องไปโรงเรียนกันแล้วเอ<ม>อเนื่ออาหารนี่จะไม่กินแนะทาดาเหนืพูดกับลูกอยู่ว่าเหนือจะไม่เอาจะทาทาเองเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นลงขึ้นมาใครเขาจะรู้ไหมล่ะก็บอกว่าเออคนเขาปฏิบัติแต่เขาต้องทําได้หนูก็เลยพูดไปอย่างนั้นอืมไม่เป็นนมหรอแค่นี้มะ ก็มีตาออาหารมีนมมีอะไรพวกนี้มีน้ำผลไม้ไปไม่ใช่เหรอใช่ค่ะหนูจะเตรียมน้ำนมมาม่าใส่กระป๋องหนึ่งเลยอ่าเผื่อถ้าไม่ได้จริงๆก็เอามาม่าก็ยังได้ยังเทียงนะงเทิยงกินไม่ได้นะค่ะแล้วเอ่อถ้าสมมติว่าข้าภาษาหนูอ่ะจะถือถึงเจ็ดเพราะว่าหนูยังเป็นผู้คลองเดือนอยู่ได้ใช่ไหมค่ะ ก็ไม่มีใครบังคับเลยแล้วแต่เราแ ล, แล้วแต่เราถือ ไ, ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่อันอันนี้ยที่หนูอยากเข้าสูนก็คือไม่ไม่อยากโมโ oh ห ok เขาอะแต่ว่าถ้าหนูทําได้คือจะดีมากหนูพยายามที่จะทําให้ได้ตอนที่าอาจารย์พูดทางภาษานึงแบบไม่ทะเลาะกับเขาเลยเขาจะพูดอะไรก็เงียบบอกอยากไปหวังอยากเข้าถึงที่เรากดเขาเพราะว่าเราหวังแล้วเขาไม่เป็นบปตามที่เราหวังแล้วอะไรกดเขาใช่ค่ะรู้นะคะแต่ว่าบางทีมันแบบทาไม ทำไมสิ่งดีๆถึงไม่เอาทำไมต้องแบบคิดไม่ได้แบบก็เขาเป็นอย่างนี้อ่ะเขาเป็นสาม ป, ปนันรถจ้างเ็าเป็นมรรกรได้ยังไงใช่ค่ะเขาก็ชอบสิ่ ง, งนี้เขาชอบสิ่งไม่ดีเราไปขยายเขาชอบสิ่งที่ดีได้ไงค<อ>่ะเราก็เลยโกรธเขาเพราะเขาไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เขาเป็นใช่ค่ะเพราะว่าแบบพอแล้วเขามีปัญหามันมันมีผลวงฟังถึงแม่สิ่งอะไรงนี้ไงเราก็เลยแบบไม่ดี อย่าไปนสนใจเขาเขจะเป็นมารกรก็าบอกเขาเป็นมรรคกรกคไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นสับปะรดมันก็จบค่ะจะนําไปสอนนำสอนตัวเองค่ะพ <c oughs> อจ๊อสใจนะค่ะแล้วเดี๋ยวหนูกลับมารายงานนะคะว่าหนูไปสอมาเป็นไงบ้งบางโอเคดีค <c oughs> ่ะจ๊อคนกีตาเชิญคนกีตาต่อนานทีค่อยเข้ามา แบบนัมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะที่หนูเป็นผู้สื่อข่าวใช่ไหมใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะช่องไหนบอกได้ไหมเอ่อช่องมีช่องที่เป็นช่องข่าวของตัวเองชื่อ t ทรเดอร์เคพเจ้าค่ะแล้วก็ตอนเช้าอ่านอยู่ที่พ p พีทีวีเจ้าค่ะอาเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรท้งเศรษฐกิจหรือเปม่ขาข่าเศรษฐกิจการลงทุนเจ้าค่ะอืม วันนี้มีอะไรไหมที่ข้ามานี้วันนี้มาฟังธรรมเจ้าค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ช้าจะไปใส่บาตพระจารย์เจ้าค่ะช่วงบ่ายก็จะไปฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะอ่าดีวันสำคัญควรจะมีอะไรปฏิบัตินะใช่เจ้าค่ะโอเคไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามเจ้าค่ะตั้งใจปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะสาธุจ้ า, จ า, จาไปที่กระดูสาต่อสากรรมเดชญา แม่เรามาตรการค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาริกาโทรมาบอกว่าเขาไม่เข้าซูมนะคะเขาจะนั่งภาวนาค่ะพระอาจารย์ได้ตามสบายไม่เป็นปัญหาเลยเข้ากัน ไ, ไม่เข้าก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้ด้วยพร <c oughs> เราไม่ได้สนใจใครเข้าไม่เข้าเราสนใจแต่คนที่เข้ามาเท่านึง <c oughs> ถ้าเข้ามาก็ทักทายกันไปคนที่ไม่เข้ามาเราก็ไม่รู้เป็นใครบ้ากมันต้นองแยะ ไม่เป็นไรเราไม่ไปตามนูไมม้ไปตามไปคอค้นหาหายไปไหนก็าโทรมาบอกค่ะจะรวมโยมก็เลยอรายงานจ่าก็ <c oughs> ไม่เป็นไรก็อาจจะคิดว่าเป็นธรรมเนียมมั้งอะต้องเหมือนนั่งเรียนไม่ได้เข้าห้องเียนก็ต้องต้องส่งจดหมายมาแจ้งให้ครูทราบว่า ว, วันนี้ไม่เข้าห้องเรียน <c oughs> จะได้ไม่กังวลจะไไม่เลยเป็นห่วงใหญ่สําหรับโยมนะคะจา่าโยมโยมมาเห็นอันที่ว่า ได้ยินอยู่ใช่ไหมคะได้ยินจ้ะเคยโยมเห็นตอนที่วันมีความคิดผุดขึ้นมาแล้วก็มันหยุดหยุดไปเองค่ะอาจารย์แบบให้มันหยุดเองเลยเราไม่ได้โยมไม่ได้สั่งให้มันหยุดนะคะมันหยุดเองมันหยุดคิดเองก็มันเป็นเรน้าตายอย่างเดียโยมก็รู้สึกเฮ้ยแตกโยมก็เลยดูพอมันผุดขึ้นมาปุ๊บปกติเราจะห้ามใช่ไหมคะนี่เราไม่ได้ห้ามอะเขาหยุดเขาเองเขาคิดปุ๊บเขาก็หยุดปั๊บอย่างนี้เองค่ะอาจารย์โยมรู้สึกเ่อแปลกดี มันโดนมันอยู่นานก็ไม่นานนะใช่ค่ะยมยมก็จะว่ายมขับรถยนต์ใช่ไหมคะแล้วก็พอความคิดความคิดมันผุดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันดับยมก็ลองดูเกอไอไอเข็มนะคะว่ามันได้กี่กิโลอะไรอย่างเนี้ยค่ะยมย ม, ยมก็ดูไปก็มันอยู่ได้อยู่นะเพราะขึ้นปุ๊บมันก็ดับไปปั๊บแบบเนี้ยค่ะจนันก็รู้สึกภูมิใจแบบนี้มันไม่ได้เป็นกิเลสใช่ไหมคะจนคันรู้สึกดี ก็ถ้าไม่มีความโลภความอะไรก็มไม่เป็นกิเลสให้รู้เฉยเฉยไปค่ะแต่ก็ดีใจตรงที่ว่ามันหยุดเองนี่เราไม่ต้องออกคากาําสั่งหรือรไม่ต้องไปห้ามอะไรมันหยุดเองอะค่ะจันใช่เวลเาเวลาที่เราอยากจะให้มันหยุดมันไม่หยุด น, น่ากลัวกว่าแต่ก็มี ม, มีมีอารมณ์นี้เหมือนกันค่ะอีกนิดนึงอีกนิดขอคิดอีกนิดนึงมันก็หยุดเองหรือก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเรียนรู้อะค่ะจันตอนนี้โยมหายไปใช่ไหยคะ มันอาจจะหยุดเพราะว่ามันแบบมีสติมันก็เลยไม่คิดเสียเวลาโกรธขึ้นมาที่จะหยุดมันได้หรือเปล่าะงั้นมันต้องดูความสําคัญว่ามันหยุดในช่วงที่มันเกิดกิเลสได้หรือเปล่าจะดีกว่าเวลาโลภแล้วหยุดมันได้เปล่าเวลาโกรธแล้วหยุดมันได้หรือเปล่าไม่เวลาที่ไม่มีอะไรแล้วมันหยุดก็มันก็ไม่มีผลอะไรไม่ไม่มันก็ไม่สําคัญอะไร ก็เป็นการพักจิตไปถ้าเราหยุดคิดก็แสดงว่านราพักจิตมันพักมันพักชั่วคราวมไปอาจจะเป็นสมาธิแบบนั้นแบบที่ไม่ได้รวมแต่ว่าการโกรธมันยมก็เบาบางลงนะคะจาันเพราะว่าในวันนั้นโกรธมันไม่หยุดเองใช่ไหมแต่แต่ว่ามันมันมีสติไม่เหมือนก่อนนะคะจันเมื่อก่อนที่โกรธเนี่ยมันเอาไม่ลงทั้มันต้องมันต้องมันต้องพุ่ง แต่ตอนนี้มันหยุดเวลาโกรธให้มันหยุดเองได้อเนี่นัน้นน่นแหละเจ็ก<อ>เข้าใจไหมค่ะอ๋อคือให้เขาหยุดเองเราตื่ที่เราไม่ต้องห้ามใช่ไหมพอมันจะโกรธปั้บล้มันก็หยุดของมันเองเนี้ยแสดงว่าเนี่ยฝึกมาดีสอนมาดีอมันจะบอกเรากําลังโกรธนะอ่าแล้วเราก็จะหยุดประมาณนั้นค่ะเราอันนี้แสดงว่ายังออกคําสั่งอยู่ใช่ไหมคะอ่าต่อไปไม่ต้องสั่งพอมันโกรธปั้บมันหยุดปั้บเองของมันเองเนี่ยแสดงว่าดี เวลาโลบปั๊บก็หยุดปั๊บเลยเรื่องโลบนี่ยังต้องต้องห้ามมันชอบตืนค่ะอาจารย์เวลาคิดแล้วมันหยุดคิดนี่มันไม่มันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกมันคิดมันมันก็หยุดได้ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆบางทีมันก็ถึงเวลามันก็หยุดเข้ามาไปได้ชั่วครั้งช่วคราวเดี๋ยวเราก็สามารถทำได้เรื่อยๆใช่ไหมคะเราฝึกไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะก็อยู่ที่การฝึกสติไม่ใช่อยู่ที่การบัสั่งมันให้มันหยุด ที่มันอยู่เพราะว่าเรามีสติมันก็ห ย, ยุดแต่พอเราไม่มีสติมันก็คิดพุ่งสร้างไปได้เหมือนกันเั้นถ้าถ้าถ้าถ้าเรายังไม่รักษาสติไว้เดียวมันก็หายไปเราต้องพยายามรักษาสติให้มันอยู่ในระดับเดิมให้ได้แล้วมันก็จะหยุดเองง่ายค่ะอาจารย์แล้วพรุ่งนี้วันอาสาฬหาบูชายมก็จะ เตรียมอาหารไปถวายพระที่วัดแล้วก็ตั้งใจว่าเขาเ้าปรรษาปีนี้จะพยายามนั่งภาวนาให้ให้ได้ผลดีกว่าเดิมค่ะอาจารย์จะตั้งใจได้แบบนไ้นไมันตั้งแบบนี้ไม่ได้หรอกมันตั้งแบบนี้มันก่น้างกว้าง <c oughs> <c oughs> ได้จะต้องมีเวลาเจอใคยนั่งชงั่วโมงต่อไปนี้จะนั่งชงั่วโมงครึ่งอะไรนี่มันได้ตั้งแบบนี้มันก็หลอกตัวเองได้คือ <c oughs> <c oughs> ยมก็ยังเพวกยมก็ไสินแปดเราก็สินแปดมาจะสามปีเข้าสามปีปีนี้แล้วนะคะให้ลองอะไรดีจะเอาอะไรเพราะทุกปั้งเ ป, ปรี่ยวโบราอะไรดีก็เลยก็รดข้าววันเว้นวันด้เอาอย่างนั้นเลยเหรอคะอา่าก็อยากจะให้มันเข้มข้นขึ้นนะก็เราอดข้าวเทา่านเลิกกินมื้อเดียวสินแปดในบางเทียงกินสองมื้ออยู่ใช่ไหม ยมมือเดียวตลอดค่ะอาจันมือเดียวมือเดียวมันตลอดทีนี้ก็ลองลอ ง, ล อ, งอาจจะวันพระหยุดกินอดข้าวสักอาทิตย์ละวันก็ก็ดูก่อนก็ได้เอานับคําข้าวก่อนไหมคะจันหรือจะวันเว้นวั น, ว น, วนก็ได้อดไปอะไรเออมาให้ ม, มีมีปริมาณที่เราสามารถวัดได้ไม่ใช่พูดแบบหลวมๆเอาเอาถ้างั้นยมนับคําข้าวก็ได้คะ่ะอาจารย์แล้วก็ตั้งลิมิตว่าไมกินกี่คำได้ไหมคะ เดี๋ยวคำใหญ่คำเล็กเองอ่ะโอ้โอเคเดี๋ยโยมโยมไม่ไม่ได้ถ้ายังทําไม่ได้ไม่ไม่เอาอย่างไื่นเอาอย่างอื่นก็ได้เอาอย่างอื่นก็ได้ชันให้อยู่กับที่สักชั่วโมงสองชั่วโมงยืนกันนั่งแต่ไม่ให้ไปทําอะไรเอาอย่างนั้นดีกว่าจแล้วก็ส่วนอาหารนี้ถ้าโยมโยมจะลองและถ้ามันได้แโยมก็จะลองเอาแต่ยังไม่เป็นข้อบังคับเลยอาหารก็เอารวมใส่จานเดียวไปเลยก็ได้ ใส่กระมังเวลาคุกเป็นข้าวหมาไปเลยเฉพาะวันพระเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วแต่แล้แต่เราจะกำหนดไงแล้วแต่จะอธิษฐานอ่ค่ะทั้งนั้นหยะจะเอาอันนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์เอาเป็นจับเอาวันพระข้าวหมากิงงานค่ะใช่ใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าปกติโยมเรื่องเรื่องกินนี่ยังเป็นปัญหาสําหรับ <laughs> <laughs> รลูกลูกหัวเราะอดไม่ได้ <laughs> ยังยังยังยมมือเดียวก็จริงค่ะอาจารย์แต่ยมเต็มที่กับอาหารค่ะอาจารย์คือ๋ย่ายมค่ะยมอาหารที่เรากินนี่มันก็ต้องเข้าไปรวมกันในท้องใช่ไหมอย่างนง้นมันรวมในจานไปเลยก่อนจะเข้าไปในร่างกายเรามันก็เหมือนกันคือไม่ต้องคลุกนะคะวางมุมมุมุมุไม่ต้องคลุกก็แล้วแต่คลุกได้อย่างดีได้ค่ะอาจารย์ถ้างั้นยมจะทําทุกวันพระเดือนเดียวก่อนนะคะอาจารย์เอาดูสาธุค่ะ อันนี้ภารณาสําหรับปีนี้ค่ะอาจารย์เออแล้วแต่นี้นะไม่ได้ไม่ได้พูดบังคับนะเพะื่นิพุนเ<อ>พื่อเป็นแบบยกตัวอย่างให้ฟังก็ดีค่ะอาจารย์เพราะบางทีเราเรายังยังรู้สึกถนอมกิเลสเราอยู่อะค่ะตอนนี<ๆ>้ลองเราตั้งเราตั้งตั้งเป้าแบบวกว้างๆอย่างใครๆก็ตั้งได้แล้วปฏิบัติหน้าขึ้นให้ดีขึ้น <laughs> ทำไมคว <laughs> าวไม่ยคนะ่ใช่ค่ะาย์เราเพิ่งจะ ตระนั้นเลยค่ะอาจารย์อ้าวคนดิขยามีอะไรบ้างน้ัสการค่ะอาจารย์ไม่ไม่ไม่รู้จะตั้งเป้าอะไรค่ะรอาจารย์อจริงจริงๆตอนนี้ก็พยายามกินมือมือเดียวหรือไม่ก็ไม่เกินไม่เกินสองมือมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะอาจารย์อืมค่ะก็มันเป็นให้มันแน่นอนไปเลยเดียวไม่ใช่มื้อหนึ่งสองมืออะไรเรา แล้วแต่เราแล้วลทีหนึ่งจะกินมื้อหนึ่งกี่วันก็ว่าไปก็ได้จานพุดสุปนี่หรืออะไรทำนางนี้ก็เรื่องธทําเขาเรียกอะไรนะอาหารที่มองส่วนใหญ่ไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยรู้สึกหิวตอนเย็นหรืออะไรเท่าไหร่คะ่ะแต่มีบ้างช่วงเที่ยงที่เดินไปตอนนั้นเจอร้านซูชิเราเดินไปโชคดีคะ่ะมองมองเขาเป็น ก้อนๆพอดีก็เลยออกมาได้ค่ะได้ผลค่ะพระาอาจารย์อค่ะได้ก็ออทำให้เป็นป็นตระกูลทำให้เป็นเป็นตระกูลอ่าทั้งหมดที่มันอยู่ในร้านเนี่เลยมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในช่วงทั้งหมดนะอืมค่ะอืมใช่ไหมค่ะที่จริงก็วางวางแผนไว้ค่ะแต่ว่าไม่กล้าเป้าวั น, นะว่าเถียง <laughs> อันนี้จะ <laughs> จะทำเพราะว่า อยากอยากเป็นมื้อเดียวไปเรื่อยๆเหมือนกับพยายามปรับปรับให้มันกลายเป็นไลฟ์สไตล์ให้ได้ค่ะพระอาจารย์อก็าอาจจะต้องค่อยๆปรับขึ้นไปแล้วกันไม่อาจจะทําแบบพวดพลานเลยไม่อยังไม่ได้ก็อาทิตย์ละสองวันมื้อเดียวไรอยงนี้สามวันค่อยๆเพิ่มไปก็ได้ก็ไม่เกินตอนนี้ไม่เกินสองมื้อค่ะพระอาจารย์พยายามปรับให้แบบว่า เป็นความเคยชินให้มากที่สุดค่ะแลก็อยากจะลดลงไปให้เหลือมือเดียวกลายเป็นแบบไม่รู้สึกอึดอัดอะไรค่ะพระอาจารย์<อ>แล้วก็นั่งนั่งสมาธิช่วงหลังจากที่รายงานพระอาจารย์คราวที่แล้วก็เริ่มนั่งสมาธิได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ๋อเออหลังหลังจากที่เข้าซูมมีมีคนมาหยอกเรื่องเรื่องคําพูดเนี่ยแหละค่ะว่าแบบเออทําไม <laughs> อาจารย์มาริการ์ค่ะไาหยอกเรื่องคำพูดว่าเอ๊ะทําไมถึงแบบว่าแบบที่จริงตั้งใจจะหยอกค่ะว่าเออทําไมอมเกี่ยวกับเรื่องคำพูดค่ะว่าเอะทําไมนึกว่าดีขนาดนั้นแลยหลอทําไมถึงใครว่าไม่ได้แต่ส่วนแต่ว่ามันมีคนเคยว่าแบบนั้นค่ะอาจารย์ก็เลยเอามาพิจารณาแล้วอยู่ๆมันก็ดับไปคือหนูมาพิจารณาว่าเออคนที่เคยพูดแบบนั้นเนี่ยเขาไม่มีมารยาทเลยแล้วพอนึกว่า อ้าแล้วจะทําให้เขามีมารยาทได้ไหมก็ไม่ได้แล้วมันก็ดับหนูก็เลยมาดูว่ามันดับเพราะอะไรก็เลยอ๋อมันเป็นเพราะอ น, นัตตารามองเขาว่าเราทําให้เขาแบบมีมารยาทขึ้นวหวนี้ไม่ได้ค่ะแล้วพอเราอะไรปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วก็หยุดสนใจแนของเขาไปมันก็เลยดับไปแต่ไม่ถึงกับดับหายไปขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพวามความคิดนี้มันมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าใช้ตัวเนี้ยค่ะคิดเรื่องอ น, นัตตามันดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะเป็นปัญญา อัญญาตัดได้อบคอาจารย์เดี๋ยวพันตานี้จะลองดูนะคะอาจารย์อาจารย์ค่ะโยมโ ย, ยมโยมกำลังคิดอยู่ว่าพวกนี้เมนูที่โยมทำไปถวายพระใช่ไหมคะมีแกงะกะหรี่เป็ดผัดเผ็ดปั้น ด, ด, ด, ด, ดุกแล้วเผื่อเชื่อโยมต้องเอามาคลุกในจานโยมเงียตก <laughs> ก็ยังไม่พร้อมกับเราไว้ก่อนก็ได้ได้ได้ค่ะอาจารย์ทำได้ไอ้มือไมื้อนี้มันผ่านไปก่อนก็ได้เอางั้นแหละค่ะตั้งใจไว้แล้วว่าจะกินโยงเอาเมนูพรุ่งนี้จะต้องทำเอาไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะอาจารย์ยงเรียนเดียวเองเอาเร็วนกจำได้ไหมโอเคไปที่กุหลาต่อเลยทำท่ามสุดท้ายแล้ว กราบนมัส ก, การพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทางเฟ e b o o k เจ้าค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับมีผู้มาถามคำถามเกี่ยวกับธรรมะกับผมผมทราบคำตอบซึ่งมาจากคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นผมควรจะตอบคำถามนั้นหรือไม่ครับก็ตอบได้เพียงแต่บอกว่านี่เป็นคำเป็นคำพูดของครูบาอาจารย์ที่เราได้เรียนมาเคถ้ามีใครเถามแล้วก็ ตอบได้ถ้าเรารู้คําตอบที่บอกว่าไม่ให้ไปสอนคนนั้นคนนี้หมายถึงไม่ให้ตั้งตัวเป็นอาจารย์อย่างตอนนี้เรายัางต้องเรียนหนังสือของเราอยู่เรียนให้จบก่อนแต่ถ้าระหว่างระหว่างเรียนนี้ถ้ามีใครอยากจะมาขอถามความรู้ที่เราพอมีจะแบ่งให้เขาได้ก็แบ่งให้เขาไปคําถามต่อไปการตรวจร่างกายประจําปีหรือประจำสามถึงห้าปีเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ครับ ถ้าเราพบปัญหาสุขภาพและแก้ไขได้ทันก็จะทำให้เรามีชีวิตในการทำทานถือศีลภาวนาได้นานขึ้นขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำครับกราบขอบพระคุณครับก็สมัยพุทธกาลก็มาในการตรวจร่างกายทุกสามปีห้าปีนะาก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันก็สำคัญอย่าไปกังวลแล้วอยู่เพื่อทำแบบุญลยเราอยู่เพื่อปรองอยดีกว่า พร้อมที่จะตายเมื่อไหร่นะจบไม่ต้องกัวงวลเรื่องการทำบุญทำทานให้เสียเวลาคำถามต่อไปจากคุณเจศดาพรกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราเป็นผู้บริหารแล้วว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องในกรณีที่เขาทําผิดแล้วเขาไม่ชอบหรือโกรธเราถือว่าเราสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาใช่ไหมคะเราจะวางเฉยก็ไม่ได้คะ่ะเพราะเป็นหน้าที่ ควรวางใจอย่างไรรู้สึกไม่อยากสร้างเวรกรรมคะ่ะถ้าไม่อยากสร้างเวรกรรมก็ลาออกจากงานไปหรือเฉยๆไปไม่ต้องพูดอะไรอแต่ถ้ายังก็ อ, งอยู่ทํางานมีหน้าที่ต้องพูดกันต้องพูดแล้วก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมีเวรมีกรรมกันต่อไปมันหนีเลี่ยงไม่ได้คําถามสุดท้ายจากคุณอริยากราบเรียนพระอาจารย์ ข้าวที่หุงแล้วแต่เราแบ่งข้างหนึ่งเพื่อจะตักมาใส่บาตจะถูกต้องไหมคะอ๋อแบ่งได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องแบ่งข้างหนึ่งก็ได้ตัก แ, แยกไว้ก่อนก็ได้ข้าวใส่บาตแล้วก็มัน ก, ก็ไปใส่บาตรข้าวที่เราจะเก็บไว้กิ น, กนแล้วก็มากินได้หม้อดเดียวกันไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาอะไรกับข้าวเหมืไว้กันทาทำแกงขึ้นมาหม้อหนึ่งก็ก็แบ่งไปสาหรับใส่บาต ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก no ็เก e ็บไว้กินได้เองได้ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีตลอกคืนนี้ก็ขอให้ท่านจําำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ